ปัญจะสะตสหัสสานิณมามิศีรสาอาหังเตสังธรรมมันจะสังคันจะอาเทเรณนนมามิหังนะมาการานุภาเวนะหันตวาสาเพออุปทเวข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 512,028 พพระองค์ด้วยเสียงกล้าว ขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นโดยเคารพด้วยอนุภาพแห่งการนอบน้อมนี้ขอให้อุปทวะและอันตรายทั้งปวงจงระงับดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่พวกเราสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ผู้ใฟใจในการศึกษาใฟใจในการประพฤติปฏิบัติไม่ทอดทิ้งทุระในพระศาสนาขอให้มีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอาตมาก็ได้เลื่อนขั้น จากพานำสวดมนต์ก็ได้มาให้ความรู้ญาติโยมบ้างนะเดี๋ยวหาว่าจตามาเป็นใบ้มาแล้วไม่ค่อยพูดอะไรนะ <c oughs> ใน อาณาปานาสติสูตรนะท่านกล่าวไว้ว่าอยามปิโขพิขเวอาณาปานาสติสมาธิภาวิโตพัหูลีกโตสันโตเจวปนีโตจะอาเศเจนะโตจะสุขโะวิหารโรอุปนุปันเนจะปาปเก อ, อากุสเลธรรมเฐานาโสอันตระทาเปติวูปสเมติ อันนี้อยู่ในสั่งยุตินิกายโยมเคยได้ยินไหมบางคนครั้งแรกเลยนี่เรียกว่าได้สร้างบา ร, รมีมาเพื่อได้ฟังสิ่งที่แปลกใหม่สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้บัญญัติไว้ในหนังสือพระไตรปิฎกนี่แหละเล่มหนาหนาแบบนี้ท่านกล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านภิกษุทั้งหลายอานาปานาสติสมาธิควรจเจริญให้มากเพื่อความสงบกายสงบใจจะพัฒนาใจให้ประเสริฐประนีต ก, กายก็มีความสุขใจก็มีความสุขเกิดจากความสงบหรือสุขอันใดๆจะเสมอด้วยความสงบไม่มี เมื่อความสงบอันประเสริฐเกิดขึ้นแล้วนะอากุสุรธรรมก็จะดับไปอันตราธานไปสิ้นนะแล้วก็ไล่มาตั้งแต่ที่พระอาจารย์ได้ได้เทศนาไปแนะนำไปนะจนสรุปมาเมื่อวานนี้นะว่าอิทัพพิขเวพิกขุอรัญญคตวาลุขมูรคโตวาศสุญญค า, ารคโตวานิสีทติปันลังกัง อาผู้ชิตตวาอุชุงกายังปนิทายะปริมุขังสติงอุปัฏฐเปตวาโสสโตวะอสสติสโตปัส ส, สติโยมสงสัยไหมที่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราจะหายใจเข้าก่อนหรือหายใจออกก่อนเคยสงสัยไหมหรือทำไปก็ยังไม่รู้ว่าหายใจอันไหนก่อน ขนาดออกจากบ้านยังมีก้าเท้าแรกออกจากบ้านเลยนะไหนใครถือเคสอย่างนี้ไหมวันนี้ต้องก้าเท้าขวาออกจากบ้านจะได้เป็นสิริมงคลมีไหมเหมือนคุยอยู่คนเดียวเลยใน สัตยาปาราชิกนะเล่มที่สองของพระไตรปิฎกมหามุงกุฎนะเล่มสีแดงๆ แ, แบบนี้เรียกว่ามหาวิพังนะอยู่ในวินัยปิฎกนะกล่าวเรื่องการปฏิบัติอานาปานสติไว้นะว่าถ้าเกิดจะปฏิบัติอานาปานสตินี่ก็มีหลักในการหายใจเข้าหายใจออก ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะได้ได้ยินว่าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแต่บางคนก็เคยได้ยินเหมือนกันหรือเคยไปอ่านว่าหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าอะไรกันแนนะ่จะทำให้เราสับสนหรือเปล่าแต่ตรงนั้นไม่เป็นประมาณนะเพราะท่านกล่าวไว้ว่าผู้ที่ออกจากคันมารดา ในในการที่จะคลอดออกจากคันมารดาเนี่ยอยู่ในท้องนี่มาเก้าเดือนหรือสิบเดือนก็แล้วแต่เวลาที่ออกมาข้างนอกก็ไม่สามารถที่จะหายใจเข้าได้เพราะว่าในจมูกนั้นมีเมือกมีเสลตมีน้ำหนองมอีสิ่งที่เป็นสกรปรกดังนั้นจึงต้องหายใจออกมาก่อนนี่สำหรับในพระวินัย ปิดกเนะี่ยกล่าวไว้ว่าจะต้องหายใจออกก่อนแต่ถ้าเกิดในพระสูตรนะในอย่างเช่นหัตทีขันโทรปรมสูตรท่านก็กล่าวไว้ว่าสำหรับในพระสูตรส่วนใหญ่จะกล่าวว่าหายใจเข้าก่อนเวลาที่เรามาปฏิบตัติส่วนใหญ่เราก็าจะไ ด, ได้ยินคำว่าหายใจเข้าเพราะจับในหลักพสูตนั่นเองนะว่าหายใจเข้า แล้วค่อยหายใจออกส่วนในวิสุทธิมรรคยมเคยได้ยินไหมในวิสุทธิมรรคที่พระอาจารย์กล่าวไว้เมื่อวานนี้ว่าท่านพระอาจารย์พุทธโคสะที่เป็นคนอินเดียตอนใต้เนี่ยได้เป็นผู้รจนารจนาถึงสามฉบับในเวลาคืนเดียวเนี่ยนะนั่นแหละท่านก็ใช้ในพระสูตรคือการหายใจเข้าก่อน แล้วก็หายใจออกอัสสสโตนะหายใจเข้าปัสสสโตหายใจออกนะอัสสสอัสสสติหายใจเข้าแล้วก็ปัสสสติหายใจออกเนี่ยเราก็เลยใช้ตามหลักในพระสูตรกันว่าหายใจเข้าก่อนแล้วก็หายใจออกอันนี้ก็ถ้าเกิดใครจะหายใจออกหรือหายใจเข้าก็ไม่ได้ ผิดอะไรก็ถือเอาตามในพระวินัยพันวินัยปีดกถ้าหายใจเข้าก่อนหายใจออกที่หลังก็ถือในพระสูตรหรือในคำพีวิสุทธิมรักคคำพีพระสูตรที่เป็นอัตถกถาส่วนใหญ่แล้วก็พระพุทธโคส า, าจารย์น่แหละเป็นผู้แต่งดังนั้นในคำพีวิสุทธิมรักกับในอัตถกถาที่มา ขยายความพระบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธโกษาจารย์ดังนั้นจึงมีในเดียวกันก็คือหายใจเข้าก่อนแล้วก็หายใจออกแล้วยมหายใจเข้าหรือออกเข้าก่อนหรือออกก่อนอไม่ได้ผิดนะเข้าก็ได้ออกก็ได้ก็แล้วแต่ที่สำคัญคือให้รู้ติดต่อและต่อเนื่อง แล้วก็มีกล่าวว่าในการกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยหรือการทำสมาธิทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสมถะสี่สิบอย่างทั้งหมดเลยนะต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็ได้กล่าวไว้ในเล่มนี้แหละมีอยู่สามที่ที่กล่าวไว้ในพระวินัยปีดกนะเล่มที่สองนี่นะแล้วก็ใน เล่มที่หกสิเกเกี่ยวกับปฏิสัมพิธามาร์คที่ท่านพระสารีบุตรเถระได้เขียนไว้ได้บันทึกไว้ได้รันาไว้ได้สืบทอดกันมาจนถึงเราทุกวันนี้นะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งคือวิสุทธิมาร์คมีอยู่สามที่วิธีการปฏิบัตินะก็จะกล่าวถึงตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะว่าเริ่มต้นจะให้ทำอย่างไรก่อน เช่นมีการเตรียมตัวมีการสวดมนต์ไหว้พระมีการชาระศีนอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีวิธีการตามลำดับมาจนถึงวิธีการตัดความกังวลอธิษฐานจิตอย่างไรและมีวิธีการนับ นับจํานวนมีอยู่สองในด้วยกันวิธีการนับแต่พระอาจารย์ก็ได้บอกวิธีการนับแก่ญาติโยมไปแล้วนะว่าให้นับไม่เกินห้าไม่ถึงส0แต่ในในหลักวิสุทธิมรรคจริงๆเนี่ยท่านก็ได้ บอกวิธีการนับไว้สองวิธีนะก็คือการเนี่ยเรียกว่าการการนับแบบนับโคนับแบบการนับเข้าเปลือกแบบหนึ่งแล้วก็การนับแบบโคแบบหนึ่งการนับแบบเข้าเปลือกนับอย่างไรก็คือการนับนับให้นับตามกันนับ หนึ่งหนึ่งอย่างนี้นะสองสองอันนี้คือนับตามเข้าเปลือกแต่ถ้าเกิดการนับแบบโคก็คือนับอย่างเร็วนับอย่างเร็วอันนี้เป็นสองขั้นตอนของการนับการนับนับช้าขั้นแรกเนี่ยเป็นการนับเพราะในขณะที่เรานั่งนั่งแรกๆมันจะดูดูลมไม่ค่อยชัด หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราดูไม่ค่อยชัด น, นั้นแล้วก็มีกามฉันทะบ้างพยาบาทบ้างทีนามิทะมารบกวนมีความฟุง้งซ่านนะมีความเพียรที่มากเกินไปเราอยากจะรู้ลมนะหรือมีความไม่รู้อวิชชาเนี่ยครอบงำหรือบาปอากุศลกรรมทุกตัวจะเป็นเหตุให้เราดูลมไม่เห็น นั่นก็บอกวิธีว่างั้นก็มานับแต่ไม่ได้ให้ใส่ใจในการนับไม่ใช่ว่าไปสนใจแต่การนับจนไม่รู้ลมจุดสำคัญคือเราต้องรู้ลมดูลมให้ชัดดูไม่ใช่เอาตาเพ่งใช้ความรู้สึกในการดูลมมันก็จะรู้สึกว่ามันกระทบเข้ากระทบออกถ้ามีกิเลสมากุ้มลม ทำให้เรามองไม่เห็นหรือพิจารณาหรือรู้สึกเนี่ยมันไม่รู้เราก็ใช้วิธีการนับนับช้าก่อ น, นอย่างที่พระอาจารย์บอกเมื่อวานนับช้าแล้วเมื่อมันติดต่อต่อเนื่องพอเห็นแล้วรู้เข้ารู้ออกเห็นแล้วแล้วค่อยนับไวขึ้นเข้าบางทีนับ ทีเดียวได้เลยหนึ่งหได้เลยเพราะว่าตอนนั้นจิตใจละเอียดแล้วจิตใจละเอียดมองเห็นลมเข้าลมออกแล้วเราจึงนับเร็วได้เพราะในขณะนั้นจิตได้พัฒนาไปละเอียดขึ้นแล้วก็นับเร็วเป็นหนึ่งถึงหได้เลยเนะข้าหนึ่งอันนี้คือพัฒนาการดูลมหายใจ ไหนก็มีวิธีบอกไว้ทำให้เรารู้ลมหายใจเข้าออกได้ดีไม่ต้องไปพะวงว่ากิเลสตัวไหนจะเข้ามาเพราะเราใจเราอยู่ที่การนับและอยู่ที่ลมแต่ให้รวมเป็นหนึ่งให้ไดนะ้เมื่อเรานับไปเรื่อยๆแล้วจิตใจก็ละเอียดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยการนับได้ โดยที่ดูลมอย่างเดียวนอันนี้เป็นวิธีการแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าเมื่อมีการสวดมนต์ไหว้พระเตรียมตัวแล้วเนี่ยจะต้องชำระศีลซะก่อนก่อนหน้านั้นนะก่อนที่จะมาดูลมได้เนี่ยเพราะในขณะที่ศีลไม่บริสุทธิ์ความกังวลใจความเดือดร้อนใจมันก็มี ดังนั้นหรือถ้าไม่ตัดกังวลก็จะทำให้เราไปคิดหรือปั่นป่วนในขณะนั่งสมาธินั้นท่านก็แนะนำให้เราชำระศีลซะก่อนนะอย่างเช่นถ้าเป็นพระเนี่ยก็ต้องปรงอาบัติก่อนคือมีการแสดงต่อกันก่อนไม่ทำให้ใจนั้นเศร้าหมองเวลานั่งสมาธิ อย่างที่พระอาจารย์บอกเมื่อวานเนี่ยจะต้องมีศีลกำกับของเราจะต้องมีศีลที่สามารถที่จะดำเนินในชีวิตประจำวันได้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วเวลาที่เรามาเข้าไปห้องห้องพระก็ตามอยู่บ้านหรือมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้จะทำให้สมาธิมันขึ้นได้ง่ายนะท่านแนะนำไว้เกี่ยวกับผู้ที่ บวชเป็นพระเนี่ยเวลาที่จะชำระ ศ, ศรีลให้บริสุทธิ์ก็พิจารณาถึงจริตศีลของตัวเองจริตศีลก็คือข้อวัดปฏิบัติที่พูุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบันดาบัญญัติไว้อย่างเช่นผ้าผ้าจีวรจะต้องรักษาแบบไห น, นเช่นจะต้องรักษาสามผืนก่อนอรุณขึ้นเนี่ยจะต้องรักษาไว้หรือ เวลานั่งจะต้องมีผ้าปูนั่งเพื่อป้องกันสิ่งสปกปรกนะหรือเวลาที่ไปบินธบาทต้องมีการกั้วบาดซะก่อนมีการสะพายบาดอย่างดีเดินไปสำรวจไม่เลียวซ้ายแลขวานะแล้วก็ไม่ไม่พูดคุยนะไม่เดินแกว่งมืออย่างนี้นะเป็นระเบียบก็เรียกว่าอภิสมาจาริกศีล ของพระนี่นะหรือแม้แต่ศีลเล็กๆน้อยๆของพระเป็นข้อวัดปฏิบตัติเช่นดูแลอุปชาดูแลอาจารย์นะดูแลห้องน้ําดูแลที่พักอาศัยพวกนี้เป็นข้อวัดของพระทั้งนั้นเสร็จแล้วแม้แต่เวลาเดินออกไปจากวัดจากกุติอะไรเนี่ยต้องเก็บของให้เรียบร้อยแล้วก็ บูชาพระพุทธเจ้าซะก่อนกรรมฐานที่เคยดูมาเช่นดูลมหายใจมาต้องวางไว้ก่อนแล้วเจริญพุทธคุณหรือผ่านต้นโพนะหรือพระเจดีก็ต้องไปทาความสะอาดบูชาสารเสริญคุณแล้วก็ค่อยไปบินทบาทในขณะที่ไปบินทบาทเมื่อเราวางพุทธคุณแล้วก็มาเจริญลมหายใจเหมือนเดิม ไปในบ้านสมัยก่อนเขาจึงไม่ให้พรเพราะถ้าให้พรแล้วกรรมฐานที่ยวไปก็จะหลุดก็คืออาณาปานสติก็าจะหลุดดังนั้นสมัยก่อนเขาจึงไม่พูดกับโยมไม่สนทนากับโยมแล้วก็ไม่ให้พรคราวนี้ญาติโยมก็เลยมาตำหนิว่าพระในพระพุทธศาสนาเชื้อสายศักยะบุตรเนี่ยไม่ ไม่มีความไ ม, ไม่มีมนุษย์สัมพันธ์กับญาติโยมก็เลยไปบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าให้ได้นะถ้ามีสถานที่ที่เหมาะสมอย่างเช่นโยมนิมนต์เข้าไปในบ้านนะโยมนั่งพักก็นั่งก็ให้พรได้แต่ถ้าโยมมานั่งพระยืนอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมแก่การให้เพราะว่าในขณะหให้นั้นบางทีมันเป็นธรรมะ สิ่งที่ให้ไปเป็นธรรมะซึ่งถ้าพระแสดงธรรมแก่ญาติโยมโดยที่อริยบทไม่เสมอกันเป็นการไม่เคารพพระแสดงก็ผิดศีลโยมก็ได้บุญไม่มากดัง น, นั้นเวลาที่พระจะให้พรโยมก็ยืนนะเผื่อในคํากล่าวที่ท่านให้นั้นเป็นพระพุทธพจน์หรือเป็นธรรมะพระก็จะได้ไม่เป็นอาบัติหรือผิดศีล โยมก็จะได้บุญมากนะปกติแล้วคนไทยส่วนใหญ่ก็เห็นว่าการนั่งจะเป็นการเคารพแต่ในในในข้อวัดปฏิบัติของพระนั้นถ้าโยมนั่งพระยืนแล้วไม่สามารถที่จะแสดงธรรมได้หรือกล่าวธรรมะอย่านงะ น, นี้โยมก็จะได้ปฏิบัติถูกต้องนะนี่ก็ ท่านก็บอกว่าเมื่อปฏิบัติลานพระเจดีแล้วปฏิบัติลานโพแล้วอุปชัยวัดอาจารย์วัดคือดูแลอุปชาดูแลอาจารย์อย่างดนะีข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่อยู่ในเสนาสนะห้องน้ำหรืออุโบสถก็ตามทำให้เรียบร้อยแล้วก็พัฒนาไปถึงศีลศีลสองรอยี่สิบเจ็ดที่เป็นวาริตศีลนะพัฒนาไปอย่างนี้ อันนี้คือหลักเกณฑ์ที่ก่อนจะปฏิบัติแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย ผ, ผู้ที่จะสำรวมในศีลได้จะต้องพัฒนาอีกอย่างหนึ่งด้วยโยมรู้ไหมต้องพัฒนาอะไรกว่าศีลจะบริสุทธิ์ได้โยมพัฒนาการให้ เพราะการให้นั้นนะ่ะการให้ที่พัฒนาตัวเองพัฒนาจิตของตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นการสำรวมในศีลศีลจะบริบูรณ์ได้เกิดจากทานที่บริบูรณ์นะ <c oughs> อย่างไรนะเราลองมาดูนะยมรู้จากทานแค่ไหนนี่ ถ้ามีคนถามอย่างนี้เราจะตอบอย่างไรยงรู้จักทานคือการให้มากแค่ไหนมีคำถามมาถามแล้วเนี่ยแต่มายังไม่ทันขึ้นเทศเลยเดี๋ยวค่อยตอบตอนกลางคืนนะส่วนตอนกลางคืนเนี่ยจะพาจะมีเมื่อวาน ท ำ, ทำเรื่องเกี่ยวกับการไข้ครควนพรหมวิหารที่อาจารย์แนะนำเมื่อวานนี้พรหมวิหารสี่มีการไข้ครควนตอนเย็นๆนะได้ชิดแบบนี้หรื อ, อยังมีแผ่แผ่เมตตาในเมตแผ่เมตตาแผ่กรุณาแผ่มุทิตาแผ่อุเบกขาโยมทวีชยัยแจกหรื อ, อยัง แจกหมดแล้วนะได้หมดแล้วนะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะพาใครครวนแล้วก็แผ่แผ่พงวิหารสี่ส่วนในตอนนี้เรามาดูว่าการที่จะพัฒนาไปถึงศีลได้เนี่ยเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทานให้ถ่องแท้นะทานคือการให้ เหมือนมาเข้าเรียนใหม่ยังไงก็ไม่รู้นะทานคือการให้นี่แหละความจริงไม่ใช่เฉพาะรูปแบบไม่ใช่เฉพาะรูปแบบการมีข้าวปลาอาหารสักชุดหนึ่งไปใส่บาตรหรือมีถังใหญ่ๆสักถังหนึ่ง ในนั้นก็มีน้ำมีฝงซักฟอกมีธูปมีเทียนมีพระพุทธรูปเล็กๆหรือมีแต่โอวันตินกาแฟอยู่ในนั้นอันนี้เป็นแค่รูปแบบเท่านั้นอันนั้นก็ไม่ใช่สังฆทานซะด้วยแต่ส่วนใหญ่เราก็เรียกว่าสังฆทานนะทั้งถังแบบนั้นอะ่ะไม่ใช่รูปแบบ ไม่ใช่ทำตามประเพณีไม่ใช่ว่าอา้าการให้ก็เป็นการดีเนี่ยเราก็จะทำแบบนั้นไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แคบอย่างที่คิดนะเรื่องการให้การให้ที่ถูกต้องเราต้องมาคิดถึงเรื่องบุญใช่ไหม เรื่องใจที่จะให้ก่อนลักษณะของทานนั้นมีอยู่หลายประการด้วยกันนะอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องทานส่วนใหญ่จะเป็นนามธรรมเช่นเจตนาทานนี่เป็นเกี่ยวกับนามธรรมนะเจตนาคือความตั้งใจที่จะให้ อโลภทานคือให้แล้วไม่ยึดติดไม่ยินดีไม่หวงแหนอโทสะทานให้แล้วไม่ใช่โกรธไปด้วยนะไม่ใช่ขัดเคืองเอา้าจะไปไหนก็ไปเอาไปให้ส่งเลยเอา้ายี่สิบไปพระป่าซองนี้เอาร้อยหนึ่งพระป่าไป ไม่ใช่แบบนี้อโลพาทานอโทสตาทานคือให้และไม่โกรธอโมหะทานให้แบบมีปัญญาศรัทธาทานให้ศรัทธามุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าให้ด้วยศรัทธาว่าคนนี้คือพ่อเราคนนี้คือแม่เรามีคุณที่เลี้ยงเรามา เราจึงเลี้ยงท่านตอบเราจึงให้ท่านให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความระายแก่ใจด้วยความเกรงกลัวต่อบาปให้แบบกรุณาได้ไหมสงสารเขาเหลือกเกินเนี่ยเขาถูกน้ำท่วมเขาถูกพายุเขาถูกซีนอมิให้เพราะความการุณาได้ไหม ให้พร้อมมุทิตาได้ไหมให้แบบไหนเขารับปริญญามีดอกไม้ไปให้มีของชมร่วยมีคำพูดดีๆไปให้นี่เป็นลักษณะของทานทั้งนั้นแล้วในชีวิตประจำวันของเราล่ะโนะยม ทำงานในแต่ละเดือนแต่ละเดือนกว่าที่จะได้เงินมาเนี่ยกว่าจะถึงวันที่สามสิบหรือวันที่หนึ่งมีโอกาสได้ไปกดหรือนำเงินออกมาใช้ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่ได้บุญเกี่ยวกับการให้เลยถูกไหมโยม พราะโยมจะต้องทำงานทั้งเดือนแล้วก็ไปรองเงินเดือนแล้วถึงจะได้เงินมาเพื่อที่จะมาทำทานแต่ก่อนหน้านั้นโยมไม่ได้คิดถึงเลยสามสิบวันหรืออาจจะมากกว่านั้นเราไม่เคยคิดเลยว่านั่นคือทานกุศลเพราะเจตนาไม่เคยตั้งไว้เลยว่าจะให้ทำธุรกิจเนี่ยให้เงินเดือน ให้สินค้าที่ดีแก่ลูกค้าให้อะไรอีกโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แต่เราไม่เคยคิดว่ามันเป็นการให้ดังนั้นเพราะคำจำกัดของคำว่าทานของเราแคบนะเราก็เห็นแต่รูปแบบเท่านั้นในการให้แต่ความจริงแล้ว ลักษณะของการให้มีหลายประเภทดังที่กล่าวเห็นไมถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเล็กๆอย่างที่เราคิดแล้วการให้อะ่ะมันต้องยิ่งใหญ่ต้องสามารถที่พัฒนาตัวเองไปสู่ศีลได้พัฒนาการให้ของตัวเองไปถึงการกำจัดกิเลสเพื่อออกจากวัฏจัทุกข์ได้ถูกไหมดังนั้นถ้าเราเข้าใจบริบทของการให้ทานเราจะไม่ ประมาทไม่ได้ให้แบบหลงอันนี้ให้แบบมีเป้าหมายแล้วคราวนี้อย่างเช่นโยมไปซื้อของการซื้อของเป็นการแลกเปลี่ยนวัตถุสิ่งของอันนี้คือบัญญัติที่เราบัญญัติกันขึ้นมาใช้ว่านี่คือการแลกเปลี่ยนการซื้อแต่สภาวะธรรมจริงๆก็คือการให้กัน การให้กันหรือแม้แต่เขาหาักภาษีนั่นแหละดังที่กล่าวที่พระอาจารย์กล่าวไว้เขาไปพัฒนาประเทศเขาไปทำนู่นทำนี่เพื่อพัฒนาแม้แต่พัฒนาความรู้พัฒนาศักยภาพของคณะสงฆ์ก็ตามหรือมีการศึกษาธรรมะโดยงบประมาณนี่แหละไปช่วยดังนั้น สิ่งที่จะได้มาเป็นทานยิ่งใหญ่ที่เราจะได้แต่เราไม่เคยคิดเรื่องนี้แม้แต่วัตถุสิ่งของที่เราใช้แล้วที่เป็นเศษขยะเอยเศษขวดน้ำเอยเนี่ยเศษวัตถุสิ่งของที่เราให้ที่เราเหลือแล้วเราก็ไปทิ้งขยะ ถามว่าคนมาเก็บขยะเขารวยไหมบางคนรวยเลยนะขายขวดขายของที่ที่ได้จากการเก็บขยะนั้นเอาไปรีไซเคิลเขาน่ำรวยเพราะการเก็บขยะนั้นแต่เราเป็นผู้บริโภคผู้ใช้สอยผู้ทิ้งเนี่ยกลับไม่ได้ประโยชน์จากการทิ้งนั้นเลย การให้ทานที่เป็นรูปแบบก็ไม่ต่างอะไรกับการทิ้งนั่นแหละแต่การทิ้งถ้าคิดได้คิดถูกก็เป็นการให้อย่างเช่นขวดนี้ถ้ามีประโยชน์แก่ใครก็ขอให้เขาได้นำไปใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องและนำไปสร้างบุญสร้างกุศลขวดที่เราทิ้งเนี่ยนะที่เราดื่มๆ่มกันเนี่ยหรือเศษอาหารก็ตามที่เราทิ้งเนี่ยมีมดมีมแมลง มีหนอนก็แล้วแต่ที่เขาจะได้ประโยชน์จากเศษอาหารที่เราทิ้งนั้นถ้าคิดได้กับเป็นทานกุศลเพราะมีเจตนาคือความตั้งใจที่จะให้เงียโยมเคยคิดแบบนี้ไหมแล้วถามว่าการให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราไหมอยู่ไหมโยม เราทิ้งการให้นี้มาเท่าไหร่แล้วบุญกุศลที่เราจะได้เพื่อพัฒนาจิตใจให้มันสูงขึ้นเพื่อไปสู่ศีลสู่สมาธิและปัญญานั้นเราทิ้งไปเยอะไหมเราทิ้งไปเยอะเลยนะแทนที่สมาธิเราจะตั้งมั่นเกิดจากทานที่บริบูรณ์ศีลที่บริบูรณ์เรากลับไปได้ส่วนนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหม เพราะโมหะคือความรุ่มหลงหรืออวิชชาคือความไม่รู้จะปกปิดปิดบังเราเขาครอบงำเราเขาคอยคอนโทนคอยบังคับบัญชาเราให้เราทาตามใจเขาเพื่อเราจะได้อยู่ในวัฏะนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏะทุกนี้ไม่พ้นจากวัฏฏะทุกสักทีพร้อมหรือยังที่จะนำ อาวิชาหรือโมหานี้ออกจากใจควรจะให้อยู่ต่อไหมเนี่ยถ้าเขาอยู่ต่อเขาก็จะทำมาทำลายนะทานที่เคยจะตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นศีลที่จะตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นสมาธิที่จะบริบูรณ์ก็ไม่บริบูรณ์เพราะเราปล่อยให้พวกเขาเนี่ยแหละมาบงการ ไม่ว่าจะเป็นลาคะหรือตันหาหรือโลภะก็ตามความยินดีความติดใจความไม่พอความอยากได้หรือแม้แต่โทสะความโกรธความขัดเคืองความหงุดหงิดลาคาญใจความเบื่อหน่ายหรือแม้แต่ความง่วงเหงาเศร้าซึมความท้อแทะงกง่วงกลุ่มเหล่านี้จะมาทําลายเราหมดเลยทําลาย ศีลกุศลของเราทำลายสมาธิที่จะตั้งมัน่นทำลายปัญญาของเรายิ่งมีอยู่น้อยอยู่ด้วยนะสมาทานที่แน่วแน่ที่ตั้งมัน่นก็มีอยู่น้อยอยู่ด้วยศีลที่แน่วแน่ที่ตั้งมัน่นก็ยังมีอยู่น้อยด้วย สมาธิก็มีอยู่น้อยปัญญาก็มีอยู่น้อยแล้วก็ถูกทำลายบันนยบ่นทอนไปเรื่อยๆบั่นทอนไปเรื่อยๆเพราะเรายอมให้บาปอกุศล น, นั้นมันมากอกกินจิตใจนั่นเองคราวนี้เราจะได้มองกว้างขึ้นเกี่ยวกับเรื่องทานว่าส่วนใหญ่จะเป็นน้มมรรมที่ใจไปพัฒนาให้ใจนั้นขาวสะอาดบริสุทธิ์ได้นะจำได้ไหม เจตนาความตั้งใจความไม่โลภไม่อยากได้ให้แล้วไม่อยากได้ไม่ไปยึดติดนะไม่โกรธให้แล้วต้องมีปัญญาต้องรู้ด้วยว่าให้นี้แล้วได้สิ่งใดให้สิ่งนี้มีผลอย่างไรนี่เรียกว่ามีกรรมสักตาปัญญารู้กรรมและผลของกรรม ในขณะที่ให้แล้วแล้วรู้ผลว่าจะเป็นอย่างไรให้ด้วยศรัทธามุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าให้ด้วยมีความระายแก่ใจความเกรงกลัวต่อบาปให้ด้วยความการุณาปรารถนาให้อ่าผู้ที่ได้รับนั้นได้รับประโยชน์สูงสุดและพ้นจากความทุกนั้นให้ด้วยความมุทิตานะพลอ ย, ยินดีเขา นี่เป็นลักษณะของการให้ที่เป็นนามธรรมส่วนที่เป็นรูปธรรมเรียกว่าวัตถุทานวัตถุทานเนี่ยถ้กกล่าวโดยพระวินัยปีดกได้แก่ปัจจัยสี่ได้แก่ผ้าอาหารผ้าหรือเครื่องนุร น, นี่นะอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค นี่จัดประเภทใหญ่ๆเป็นสี่กลุ่มคราวนี้ถ้ากล่าวโดยพร ะ, พระสูตรมีอยู่สิบประการด้วยกันนะได้แก่อันนางปานางวัดถังยานางมาลาคันทางวิเลปนางเสยยาอาวสสถานปทีไปยังนะ10สิบอย่าง อันนางได้แก่ข้าวปานางได้แก่น้ายานางวัดถังได้แก่ผ้ายานางได้แก่ยานผ้านะรวมทางร่มและรองเท้าก็ชื่อว่ายานผ้านะสำหรับพระนะเพราะพระจะต้องใช้สอยอยู่เป็นประจานะ แล้วก็มาลาดอกไม้นะวิเลปน ะ, ะเครื่องรูปไหลเครื่องรูปไหลแบบไหนที่จะนำมารักษาโรคสำหรับสมณนะแต่สำหรับญาติโยมก็เป็นเครื่องอดับกินกายเครื่องประดับตกแต่งอะไรต่างๆแล้วก็ที่นอน ที่นอนที่พักอาศัยนะเช่นเสนาสะนะต่างๆบ้านกุฏิหรือแม้แต่เตียงต่างผ้าหม่มนะแล้วก็อาวสถาก็คือที่นั่งได้แก่อาสะนะกลุ่มพวกเก้าอี้หรือเครื่องใช้เกี่ยวกับการนั่งเยนะอันสุดท้ายก็คือประทีปโคมไฟ ได้แก่ทเทียนนะเครื่องที่จะทำให้แสงสว่างโคมไฟพวกนี้ประทีปนะอันนี้คือวัตถุสิบ ป, ประการในพระสุตตันตปิฎกส่วนในพระอภิธรรมก็ครอบคลุมทั้งหมดเลยได้แก่สภาวะธรรมได้แก่สีที่เห็นทางตาอย่างเช่นเราให้วัตถุสิ่งหนึ่งเนี่ยมีสีอยู่ด้วย มีสีนะมีกลิ่นมีรสนะรสรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มรสขมพวกนี้นะรสเผ็ดแล้วก็โผฏฐพะคือสิ่งที่ถูกต้องสัมผัสได้ได้แก่ความเย็นความร้อนความแข็งความอ่อนหย่อนตึงพวกนี้นะ อันนี้เท่าไรแล้วสีกลิ่นรสสัมผัสสี่แล้วห้าโอชาได้แก่วิตามินนะแล้วก็ดินน้ำลมไฟพนี้นะที่อยู่ในในวัตถุสิ่งของนั้น ครบย่แปดมีแปดอย่างดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสแล้วก็โอชาก็คือวิตามินอันนี้คือแปดอย่างที่อยู่ในวัตถุสิ่งของนี้เป็นเป็นในในฝ่ายอภิธรรมนะกล่าวไว้ครอบคุมทั้งหมดได้แก่สีเสียงกลิ่นรสบปรตานแล้วก็ธรรมารมณ์ด้วย ในขณะที่เรานำไปให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะวัตถุสิ่งของเท่านั้นที่เราให้ยังมีเจตนาของเราด้วยนะเจตนาที่จะให้ยังมีให้ด้วยความเมตตาให้ด้วยความการุณาให้ด้วยความมุติตาด้วยให้ด้วยความไม่โลภด้วยให้ด้วยมีปัญญาด้วยไหมนะ่ะนั่นคือนามธรรมเรียกว่าธรรมารมณ์ที่เราไปให้นั้นไม่ใช่เฉพาะวัตถุเท่านั้นดังนั้นไม่ใช่รูปแบบในการให้ แต่ความเข้าใจล้วนๆเกี่ยวกับการให้ซึ่งจะพัฒนาการให้นั้นไปสู่ศีลและสู่ภาวนาโยมจะมองเห็นภาพกว้างๆพอมองเห็นนะเกี่ยวกับการให้ทานไม่ใช่เล็กๆอย่างที่เราคิดแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องนามธรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าในขณะที่เราให้แต่ละครั้งไม่ใช่จํานวนน้อยๆ ไม่ใช่แค่วัตถุอย่างเดียวหรือสิบอย่างยี่สิบอย่างเท่านั้นแต่มันเป็นล้านล้านล้านล้านในขณะที่เราให้นั้น่ะเพราะผลไม่ได้นับตามจำนวนวัตถุที่เป็นวัตถุทานอย่างนี้นะผลให้ตามนามธรรมาเพราะในขณะที่ความคิดเกิดขึ้นครั้งหนึ่งจะมีบริวารของสิ่งที่เกิด ร่วมกันกับความคิดนั้นหรือจิตนั้นแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนะ่ะก็นับตามจำนวนว่าความคิดครั้งหนึ่งก็ทำให้ผลเกิดขึ้นครั้งหนึ่งถ้าล้าน mm. ถ้าความคิดล้านครั้งก็เกิดผลล้านครั้งถ้ามันล้านล้านล้าน้า น, ล, านล้านจนวนมากนี่ผลก็จะให้จำนวนมากนะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นพระ เจ้ามหาสุทัศนะถ้าโยมติดตามพระอาจารย์เนี่ยจะรู้ว่ า, าจะได้ฟังพระเจ้ามหาสุทัศนะเกี่ยวกับทานว่าในอดีตชาติท่านก็เป็นคนปกติเนี่ยที่มีทรัพย์ไม่ได้มากอะไรเวลาที่ท่านไปถวายทานท่านก็ไปสร้างกระต๊อบเล็กๆหลังหนึ่ง ที่มุงด้วยใบไม้เนี่นะมุงด้วยจากแล้วก็นิมนต์พระไปอยู่เวลาที่ผู้ฉลาดเขาทำทานเนี่ยเขาไม่ใช่เฉพาะถวายอย่างเดียวแล้วก็จบกันนะเขาจะดูแลดูแลด้วยถวายที่อยู่อาศัยแล้วยังถวายประจัยสี่นะตอนเช้านำอาหารไปให้ ตอนหลังเพลงก็น้ำปานะไปให้ปฏิบค์ไฟไปให้แถมทําสถานที่จงกรมให้ปลูกต้นโพเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้พระได้เดินจงกรมนะให้บูชาพระพเจ้าด้วยเดินในสถานที่จงกรมด้วยคุดสะให้ท่านจะได้ใช้สอยได้อาบได้ได้บรรยากาศของลมพัดเข้ามาในขณะที่ปฏิบัต ปลูกต้นตาลปลูกดอกไม้ไว้แวดล้อมทำบันไดลงอย่างดีนี่คือลักษณะของท่านทำท่านทำแล้วดูแลพระรูปนั้นจนพระรูปนั้นปฏิบัติสมถาวิปัสสนาจนได้เป็นพระหรันผลในครั้งนั้นสร้างกุฏิแค่หลังเดียวเท่านั้นนะ แต่พอมาเป็นพระเจ้ามหาสุทัศนะผลของทานนั้นยิ่งใหญ่ท่านเกิดมาเป็นพระเจ้ามหาจากักรพรรดิพระนาว่ามหาสุทัศนะเนี่มีพระนครแปดหมื่นสี่พันพระนครมีประเทศสลาชอีกเป็นเมืองขึ้นอีกแปดหมื่นสี่พันเมืองมีทรัพย์สมบัติอย่างละแปดหมืสี่พันชนิดคิดดูว่าอาหารในแต่ละมือ้อ ที่ราชบุรุษนำมาให้พระองค์เสวยเนี่ยแปดหมื่นสี่พันสำรับแล้วทรัพย์สมบัติมากมายต้นตาลที่ท่านได้เคยปลูกนั้นน่มาเป็นต้นตาลสำเร็จด้วยรัตนะทั้งเจ็ดต้นตาลทองต้นตาลเงินต้นตาลแก้วมณีแก้วไบทูนแก้วประพานแก้วผลึกบุศลคัมมรกต ต้นตาลกับเป็นต้นทางต้นตารลรัตนาทั้ง7 ก, กำแพงเจ็ดชั้นประกอบด้วยรัตนาทั้งเจ็คิดดูว่าในสมัยนั้นเนี่ยชาวพระนครทั้งหมดเลยไม่ต้องทำงานตอนเช้ามาก็มานำทรัพสมบัติของพระราชานั้นไปใช้สอยได้ตามใจชอบใช้ได้เต็มที่หมดเมื่อไหร่ก็มานำไปได้อีก ในยุคนั้นสมัยนั้นไม่ต้องทำงานไม่ต้องมีกัศิกรรมไม่ต้องมีพานิชยกรรมเลย <Yeah. S 1> นี่คือผลบุญที่ได้สร้างที่บอกว่าจำนวนของความคิดนั้น <Yeah. S 1> ก็จะผลิตวิบาก ค, คือผลนั้นออกมาจำนวนมากมายไม่ได้นับจำนวนที่วัตถุสิ่งของไม่งั้นเวลาที่เราถวายทานเราก็ต้องได้ทานกลับคืนมา แต่ความจริงอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าเกิดเราถวายแบบนั้นก็นับจำนวนสภาวะด้วยบัญญัติด้วยนะสภาวะก็ได้แก่สีกลิ่นรสวัตถะและธรรมลมนะนะนี่คือจำนวนที่ได้ไม่ได้นับตามจานวนวัตถุแต่นับจำนวนความคิดหรือจิตนะหรือจิตจิตเกิดขึ้นครั้งหนึ่งกระพริบตาครั้งนึงเกิดขึ้นแสนโกรธ ครั้งนะแสนโกรธแสนโกรธก็คือล้านล้านนะในขณะกระพริบตาครั้งหนึ่งนะแล้วคิดดูว่าในขณะที่เราจะเตรียมของเอ่ยที่ยกตัวอย่างว่าเงินเดือนของเราเห็นไหมนี่เป็นการตระเตรียมนะในช่วงทํางานหนึ่งเดือนเนี่ยแต่เดือนแต่ลเดือนเป็นช่วงตระเตรียม เดี๋ยวเราลองม า, งมาดูนะว่าองค์ประกอบที่จะทำให้ผลทานที่ได้มากเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะมีอยู่สามอย่างด้วยกันเป็นองค์ประกอบหนึ่งคือผู้ให้สองผู้รับสามวัตถุในที่จะทำให้ได้ผลมากได้อ น, นิสงมากผู้ให้นะจะต้องมี กรรมมัศกาตาปัญญาหมายถึงเชื่อกรรมและผลของกรรมอันนี้ตั้งหลักไว้เลยว่าผู้ให้จะต้องมีปัญญาที่ดีจึงจะได้ผลมากเชื่อกรรมและผลของกรรมเชื่ออย่างไรว่าสิ่งใดก็ตามที่ทำแล้วย่อมมีผล อ, อย่างเช่นใน ในพระสูตรเนี่ยท่านก็กล่าวไว้ว่าการให้ที่มีผลเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะ <c oughs> สัมมาทิฏฐิคือการเห็นถูกต้องในเห็นแบบไหนคือเห็นว่าการให้นั้นมีผลให้ได้รับอย่างนี้นะการบูชามีผลให้ได้รับการวงสวงเอ่ยเนี่ยมีผลให้ได้รับขันายตนะท่าที่มีในอดีตปัจจุบันในอนาคตย่อมมี เช่นอัตภาพร่างกายของเราที่มีในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นมาลอยๆแต่มีผลมาจากกรรมที่เคยสร้างไว้ในอดีตแล้วเมื่อมีผลในปัจจุบันนี้แล้วย่อมจะต้องมีผลที่จะเกิดมีเหตุในปัจจุบันย่อมมีผลในอนาคตดังนั้นที่กาลังสร้างในปัจจุบันนี้กำลังสร้างเหตุไปในอนาคตแน่นอนเพราะ เหตุให้เกิดยังละไม่ได้ยังไม่ได้สมถะที่ตั้งมั่นยังไม่ได้วิปัสนาดังนั้นจึงทำลายเหตุให้เกิดไม่ได้ในอนาคตจะต้องไปเกิดแน่นอนแต่ถ้าวางแผนไม่ดีต้องเกิดมารับทุกข์อีกไหมเกิดมาเป็นคนจนเกิดมาเป็นคนลำบาก ต้องขวนขวายทุกอย่างกว่าจะได้มาต้องเกิดมาเป็นสันโนโรกไประสุรกายสเดชานี่คือเรียกว่าไม่ได้วางแผนแต่ถ้าผู้วางแผนจะต้องวางแผนว่าทำอย่างไรจะได้ทำบุญกุศลได้ต่ออัตภาพไม่มากนะที่จะทำบุญได้ต่อคือเป็นสุขติสุขติภูมิจึงจะสามารถทำบุญได้ต่อเช่นเป็นมนุษย์ เป็นเทวดาและเป็นพรหมถึงจะทําบุญได้ต่อแต่ถ้าเกิดเป็นต่ํากว่านี้หมดสิทธิ์ที่จะสร้างบารมีต่อบําเพ็ญต่อเพราะยากแล้วแต่มีบางกลุ่มเท่านั้นที่เวลาไปเป็นสัตย์เดชะแล้วสามารถทําได้สร้างได้ก็คือกลุ่มท่านเหล่านี้ท่านสะสมอัธยาศัยการสร้างบารมีมายาวนานจึงระลึกได้ แต่กลุ่มแบบเรานี่มีโอกาสไหม ย, ยากแล้วเพราะว่าขนาดปฏิบัติในปัจจุบันนี้เรายังเห็นผลได้ช้าเลยไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานถูกทำลายปัญญาแล้วเนี่ยมันจะคิดออกได้ยากนใน องค์ของผู้ที่ให้เนี่ยมีองประกอบอยู่สามอย่างก็คือหนึ่งมีเจตนาปุพะเจตนาสองมุญจะเจตนาสามอระเจตนามุญจะเจตนาคือก่อนให้ที่เราได้ยินบ่อยๆก่อนให้จะต้องมีการคิดการค้ควรให้ดีสมมุติว่าหนึ่งเดือนก่อนที่เราจะบริจาคทาน หรือแม้แต่ก่อนที่เราจะทำบุญไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่แต่งงานการบรรพชาหรืออุปสมบทหรือการงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะจัดเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่แรกเลยมีการหาเงินก่อนรวบรวมเงินรวบรวมยากรวบรวมวัตถุอุปกรณ์ที่จะมาทำช่วงนั้นเรียกว่าปุพเพเจตนาทั้งหมด ก่อนให้ใครควรให้ดีพิจารณาให้ดีว่าเราจะทำบุญอะไรแล้วก็ให้ช่มชื่นเบิกบานตลอดเวล า, าเรียกว่าปุพหะเจตนาในในหนึ่งเดือนที่เราจะรอรับเงินเดือนหรือธุรกิจก็ตามเนี่ยอยากจะได้เงินปันผลหรือจะได้กำไรเราก็พิจารณาม า, าแล้ว การให้ทุกอย่างให้คำนวณมาเป็นบุญให้หมดการให้เงินเดือนการให้ค่าน้ำค่าไฟค่าเจ้าบ้านค่าผ่อนบ้านผ่อนรถให้คิดมาเป็นกำไรเกี่ยวกับเจตนาที่จะทำบุญให้หมดการผ่อนบ้านเนี่ยเราใช้คนเดียวไหมใช้ทั้งบ้านเลยใช่ไหมทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งสามีทั้งภรรยาทั้งลูก ทั้งสัตว์ที่อยู่ในบ้านเยอะไหมเยอะแล้วก็ฆ่าไปเยอะแล้วด้วยทั้งมดทั้งหนูทั้งแมลงสาบทั้งปวกทั้งหนอนนั่นแหละไม่ได้ใช้คนเดียวอย่าคิดว่าเราใช้คนเดียวนะสะบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันที่นำเข้ามาเนี่ย แม้แต่อิฐก้อนหนึ่งหินปูนทรายทั้งหมดเนี่ยเป็นการทำเพื่อที่จะให้ที่จะดูแลคนอื่นที่จะสละที่จะแบ่งปันให้กับผู้ที่จะมาอยู่อาศัยให้คำนวณให้หมดก็จะเป็นการให้ทานที่เราจะปพื้มใจขึ้นมาได้โยมมีหน้าปพื้มไหมปพื้มไหมแบบนี้ เริ่มปพิมแล้วนะเห็นมอมองเห็นภาพแล้วว่าทานไม่ใช่เล็กๆอย่างที่เราคิดบางคนบอกว่าโอ้ฉันเกิดมาจนลึกเกินไม่มีข้าวที่จะถวายพระเลยลองคิดกลับมุมกันว่าที่เราไม่มีวันนี้เพราะอะไรล่ะที่เราเกิดมาจนเนี่ยเพราะเราไม่ได้ให้ในอดีตนั่นเองเราไม่เข้าใจเรื่องทานในอดีตวันนี้เราจึงเกิดมาไม่มีไง แล้วก็ไม่ได้สร้างปัญญามาให้แบบไม่มีปัญญารักษาศีลแบบไม่มีปัญญาเจริญสมาธิแบบไม่มีปัญญาดังนั้นเวลาเกิดมาพอไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถควบคุมบริหารให้มันดีขึ้นในปัจจุบันได้ก็เลยเป็นเหตุให้เราให้แบบแบบไม่ปื้มใจนะปกติการให้เนี่ยเป็นการยังปีติปราโมทความสุขสมาธิให้เกิดขึ้นนะ มุนจาเจตนาในขนาดนั้นเราเชื่อกรรมและผลของกรรมและเชื่อรรมั่นในตถาคตโพธิสัต t เชื่อรรมั่นในความตัดสุขของพระพุทธเจ้าว่าการให้นี้แหละจะเป็นตัวพัฒนาไปสู่ศีลที่เข้มแข็งและพัฒนาไปสู่สมาธิที่ตั้งมั่นจนถึงปัญญาที่สามารถกําจัดกิเลสเพื่อทำลายบาบากุศลรละทำทำลายความทุกข์และออกจากวัฏุกนี้ได้ เชื่อมั่นในขณะที่ให้ควรให้ด้วยมือของตัวเองนะส่วนใหญ่โยมเนี่ยจะไม่ค่อยกล้าจะชอบซุกให้คนอื่นไปถวายตัวเองจะไม่ค่อยให้ควรจะให้ด้วยมือของตัวเองเพราะว่าในขณนะนั้นน่ะเป็นบุญกุศลที่แรงมากเพราะใช้ความพยายามของตัวเองในการให้นะเชื่อมั่น ความตัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและการตัสรู้ดีของพระอริยสงฆ์แล้วก็ถวายด้วยมือของตัวเองเรียกว่าบุญจ่ายเจตนาส่วนอปรรยาเจตนาชาวพุทธส่วนใหญ่ทอดทิ้งไม่สนใจเลยในการที่ให้แล้วจะกลับมาคิดใหม่ไม่เหมือนเรื่องบาปเรื่องความผิดพลาด จะมาคิดแล้วคิดอีกวนไปวนมาจากเรื่องเล็กนิดเดียวเขาว่าเรานิดเดียวหูยคิดจนเป็นเรื่องใหญ่จนทะเลาะกันวิวาดกันถึงกับท า, าร้ายกันทาลายกันฆ่ากันก็มีแต่เรื่องบุญเนี่ยเรากลับคิดน้อยแล้วบอกไม่มีที่พึ่งโอ้ยเราไม่มีที่พึ่งเลยทั้งทั้งที่คนเนี่ยให้มาตั้งแต่เกิดไหมให้มาตั้งแต่เกิดเลยนะ แต่ไม่เคยคิดแล้วปื้มใจเลยเอาละวันนี้เรารู้แล้วว่าพระมาบอกว่าก่อนให้ก็ต้องคิดขณะให้ก็ต้องเชื่อมัน่นหลังให้ก็ต้องไข้ควรให้ดีคิดให้ดีคิดบ่อยๆเพราะบุญเมื่อคิดเท่าไหร่เจตนาก็เกิดขึ้นใหม่นะบุญที่คิดใหม่เจตนาใหม่ก็เกิดขึ้นผลิตบุญกุศล มหากุศลให้เกิดขึ้นอย่างมากมายทุกครั้งที่คิดก็จะเป็นบุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเหมือนการจุดเทียนเรามีเทียนหนึ่งเล่ ม, ไ, มไปต่อกับคนนั้นคนนี้คนนู้นไปเรื่อยเื่แสงสว่างก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, เ พ, นเพิ่มขึ้นเรื่อยเรือยการคิดถึงเรื่องบุญก็เช่นกันหรือแม้แต่การคิดถึงเรื่องบาปก็เช่นกัน ยิ่งคิดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะอยู่ที่เราจะเลือกทางนั้นว่าจะเป็นทางไหนเราจะคิดถึงเรื่องฝ่ายไหนนะให้คิดใหม่ทำใหม่ปฏิกริรมตัวเองใหมนะ่ก็สามารถที่จะคิดแล้วปลื้มใจได้ผู้รับอันนี้มาดูผู้รับบ้างผู้รับ มียี่สบเอที่จะให้ผลมากให้อานิสงมากมีอยู่ให้มีผลน้อยก็มีอย่างเช่นให้กับสัตเดรฉานก็มีผลน้อยให้กับผู้ทุศีนก็มีผลน้อยให้กับคนมีศีลก็มีผลมากให้กับ นักบวชนอกศาสนาที่ได้ชาญได้อภินญาคือมีตาทิพหูทิปรู้ใจคนอื่นพวกนี้น ะ, <c oughs> ะแสดงฤทธิ์ได้แล้วก็เชื่อกรรมและผลของกรรมนี่ก็จะให้โยมคงเคยได้ยินไปแล้วว่าได้ผลกี่ชาติกี่ชาตินะแล้วก็ให้แก่ผู้ปฏิบัติ <c oughs> เพื่อเพ <c oughs> ื่อ <c oughs> ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันให้กับพระโสดาบัน ผู้ปฏิบัติเพื่ อ, อความเป็นพระสกาคาพัสกธาคามีให้พระสกทาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อพะณาคามีแล้วก็ภาาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อพระหารันแล้วก็พระหารันพระประเจคผู้เจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดสิบสี่ประเภทเรียกว่าปาติปุคลิกกทานให้โดยโดยเจาะจง ปาติบุตลิบุคลบคลให้โดยเจาะจงมี14จําจำพวกแต่ที่ให้มีผลมากมีในสงมากกว่านั้นอีกก็คือให้กับสงมีเจ็ดประเภทด้วยกันถ้าให้กับ <c oughs> ผู้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระโสดาบานันยังจำแนกออกไปอีกผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบานันอย่างเช่นพูดถึงไตรสารนาคม ผู้ที่เคยเปล่งวาจาว่าพุทธังสระนังคาฉามิธรรมังสระนังคาฉามิสังคังสระนังคาฉามิเนี่ยแล้วก็ถึงไตสรณคมตลอดชีวิตถ้าเราให้กับผู้นั้นมีผลนับประมาไม่ได้นี่อยู่ในพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามผู้ที่ถึงไตสรณคมอย่างถ้าให้กับโยมมีผลมากไหมของโยมจัดอยู่ใน ผู้ถึงไตรสรณคมและรักษาศินแปมีผู้ถึงไตรสรณคมและรักษาสินห้ะนะาด้วยนะผู้ถึงไตรสรณคมจำพวกแรกถึงไตรสรณคมรักษาศินห้าถึงไตรสรณคมรักษาศินแปสามเณรรักษาศินสิก็จะมีผลมากมีอานิสง์มากลดหลั่นกันไปผู้บวชใหม่ก็มีผลมากกว่าให้สามเณร DE, พระบวชใหม่นะ พระผู้มีศีลมีวัดข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามมีศีลบริสุทธิ์ประพฤติศีลที่ดีเนี่ยก็มีผลมากกว่าพระบวชใหม่ผู้ที่ปฏิบัติสมถาวิวัตปัสนาก็มีผลมากกว่าถ้าให้นะมีผลมากกว่ากับพระผู้มีศีลมีวัดที่ดีงามจนถึงให้พระโสดาบันนี่นะนี่คือเราก็สามารถเลือกให้ได้ ที่จะมีผลมากมีอ น, นิสง์มากมองภาพออกไหมว่าจะได้ผลมากได้อ น, นิสง์มากขนาดไหนเราก็มาเทียบกับน้ำในภาชนะน้ำในภาชนะเนี่ยเราไม่สามารถนับได้แต่เราสามารถคำนวณนอ น, นุมาณได้เท่านั้นว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้แต่เราไม่สามารถนับจำนวนได้ว่าว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นะเพราะมีจำนวนมากแลวเกิดในภาชนะเนี่ยนะในแก้วน้ำเรานับไม่ได้เราสามารถประมาณเราได้แค่นั้นแต่ถ้าเกิดน้ำที่ไหลาตามบ่อนะตามรางตามท่อระบายน้ำนะถ้ามีฝนตกหรือน้ำที่ปล่อยมาจากไหนก็แล้วแต่เวลามันไหลไปเนี่ยเราไม่สามารถนับได้เพราะมีจำนวนมากจนไหลลงไปสู่คลองสู่แม่น้ำเราก็นับไม่ได้ จนไหลลงไปสู่ทะเลเราก็ไม่สามารถนับได้จนไหลลงไปสู่มหาสมุทรทั้งสี่เราก็นับไม่ได้นี่เรียกว่าการนับไม่ได้แบบมีความลดหลั่นกันการให้กับผู้ถึงไตสรณคมก็เช่นเดียวกันก็เปรียบเหมือนกับน้ำในภาชนะเนี่ยก็ไล่ไปไล่ไปจนถึงน้าในมหาสมุทรทั้งสี่คือให้กับพระผู้ ให้กับพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าไล่ไปเรื่อยๆอันนี้คือสิบสี่ประเภทที่จะได้ผลมากได้อ น, นิสง์มากส่วนสังฆทานมีอยู่เจ็ดประเภทไม่ใช่เป็นถังๆมีเจ็ดประเภทให้กับพระภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีไหม ข้อแรกนี้ถูกตัดไปแล้วเพราะเราเกิดในยุคของคนบุญน้อยเลยไม่มีโอกาสได้ถวายแบบนี้พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขภิกษุณีสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วก็ภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์ครบหรือยัง ในขณะปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้ถ้าเรามีใจเสมอเหมือนว่าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธรูปหรือพระเจดีย์หรือธรรมะหรือพระตจปีดกเป็นประธานเนี่ยนะสามารถที่จะให้แก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขได้ แล้วก็สามารถให้แก่บุคคลที่สงส่งมาอย่างเช่นเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่เราถวายที่เราให้ใส่บาทที่เราใส่บาทาพระไม่ว่าจะมาจากวัดไหนก็ตามแต่เราเจาะจงส่งเลยขอถวายสงโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานก็ได้บุญมากได้อ น, นิสง์มาก นะแม้แต่รูปเดียวก็ตา่านงะเพราะท่านมาจากสงอยู่แล้วนะท่านเป็นตัวแทนของสงดังนั้นเวลาที่เราจะให้สิ่งใดเราก็น้อมถวายสงโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนะอย่างนี้ก็ชื่อว่าได้บุญมากได้อ น, นิสงฆ์มากเนะนี่เราสามารถเลือกให้ได้นยะ เลือกให้ได้แบบได้บุญมากได้อ น, นิสง์มากคราวนี้มาดูวัตถุวัตถุที่เราได้มานั้นจะต้องได้มาอย่างบริสุทธิ์ไม่ไปฆ่าไม่ไปทาลายไม่ไปเบียดเบียนมาไม่ได้ไปรักเขาหรือไม่ได้ไปสั่งให้คนอื่นรักหรือไม่ได้ไปทำทุจริตมามีช่อโกงมีทำเลหรือมีจกชิงวิ่งลาวมาหรือทาอะไรก็แล้วแต่มาโดยทุจริตมา ไปช่อโกองมาอย่างนี้นะนี่คือองค์ประกอบที่จะทำให้ได้บุญมากได้อนิสง์มากสำหรับใจที่จะให้เราสามารถที่จะให้แบบประณีตขึ้นได้อย่างเช่นให้แบบสัพปุริสถานห้าที่พระอาจารย์หรือสมณีนได้ได้กล่าวไป ที่ประกอบด้วยให้ด้วยศรัทธานั่นแหละให้ด้วยความเคารพอ่อนน้อมให้ถูกการถูกเวล า, ใ ห, าให้ไม่กระทบตนและผู้อื่นให้เพื่ออนุเคราะห์นะลักษณะของการให้มีลักษณะให้แบบอนุเคราะห์ด้วยให้แบบบูชาด้วยอย่างเช่นตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ย สม่เณรก็แนะนำไปว่าให้เรา น, าน้ำน้าบูชาพระพุทธเจ้าสักวันละแก้วนะแต่อย่าคิดว่าได้ให้แค่น้ำเท่านั้นนะยังมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชามีธาตุทั้งสี่ด้วยแล้วอย่าคิดว่าน้าแค่แก้วเดียวเท่านั้นยังมีบริวารอีกนะสิ่งต่างๆทั้งหมดเป็นบริวาร หรือน้ำเราถวายน้ำนี้แล้วก็ขอใช้น้ำทั้งจั ก, กรวาลมาเป็นบริวารของน้ำนี้รวมทั้งทรัพสมบัติทั้งหมดแก้วแหวนเงินทองประจัยสี่รัตนทั้งเจ็ดสรรพสิ่งทั้งหมดทั่วจั ก, กรวาลเนี่ยขอน้อมบูชาพระพุทธเจ้าพร้อมกับน้ำแก้วนี้ยิ่งใหญ่ไหมคราวนี้ใส่บาท มีกับข้าวชุดหนึ่งมีน้ำเอยมีขนมเอยเนี่ยอย่าคิดแค่นั้นแล้วก็คิดบริวารเพิ่มไปอีกข้าวปลาอาหารนี้เป็นตัวแทนของข้าวปลาอาหารทั้งหมดทั้งสิ้นทั่วจั ก, กรวาลพร้อมทั้งทรัพสมบัติประจัยสี่บริขารแปดดอกไม้ทูปเทียนสัพพสัตว์ทั้งหลาย ธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นเอามารวมกันพร้อมทางรูปธรรมนามธรรมขันห้าอายตนะ12บสองก็แล้วแต่ตามที่โยมมีข้อมูลก็รวมไปกับการให้ในครั้งนั้นและขอถวายเป็นสังฆทานขอถวายแ ด, ดพ่พรภภิกษุนี้ซึ่งเป็นตัวแทนของสงฆ์ทั่วจักรวาลโดยมีพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ขอน้อมบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยความเลื่อมใส ย, ยิ่งก็ว่าไปน่าเพิ่มใจไหมแบบนี้ทานน่าจะมาพัฒนาสู่ศีลได้หรือยังพัฒนาสู่สมาธิได้หรือยังคราวนี้เราก็จะได้เวลาให้แต่ละทีเวลาทำงานขยันขันแข็งเลยไมโยม โอ้โหอยากตื่นแต่เช้าจังเลยจะได้เตรียมนะเจตนาปุพะเจตนาที่จะทำบุญจะให้ทานจะบูชาจะถวายจะอนุเคราะห์จะเกื้อกูลจะแบ่งปันไม่ใช่้หเช้าขึ้นมาบิดแล้วบิดอีกไม่อยากเจอคนนั้นไม่อยากเจอไม่อยากไปทำงานเลยความคิดเปลี่ยนเลยไหมโยม คราวนี้เราก็กระตือรือร้นที่จะตื่นขึ้นมาวันนี้เราจะได้ทำทานทำบุญบูชาพระพุทธเจ้าอีกแล้วอยากจะตื่นขึ้นมาทำธุรกิจจะได้เพื่อบูชาพระพุทธเจา้าเพื่อจะจะม า, มาช่วยเหลือมาอนุเคราะห์มาแบ่งปันนี่ได้ผลมากได้ผนส่งมากเกิดจากความคิดที่เรา คิดประมวลวัตถุสิ่งของนั่นแหละทั้งหมดทั้งสิ้นมาถ้าให้ด้วยปัญญาให้แบบไห น, นให้ด้วยปัญญานะเราต้องรู้ว่าให้แล้ววัตถุสิ่งของที่เราให้นั้นเนี่ยสามารถที่จะให้ผลอะไรได้บ้างเช่นเราให้อาหารให้ผ้า ให้ยานพาหานะกลุ่มเหล่านี้ถ้าเรารู้ชื่อว่ามีปัญญานะเพราะเรารู้ผลให้แบบนี้แล้วได้แบบนี้เอาให้อะไรจะได้อายุได้วันนะได้ผิวพรรณผ่ผองใสได้สุขขาได้พละได้กำลังเห้นถ้าเรารู้อย่างนี้ชื่อว่ากรรมสักตาปัญญามีปัญญาไปด้วยทาน ประกอบด้วยปัญญาหรืออมโมหาทานเนี่ยให้ที่พักเป็นทานแบบนี้นะ<ม>ก็จะได้สำเร็จความเป็นสารณะคือได้ที่พึ่งได้ที่พึ่งให้ข้าวพวกนี้นะก็จะได้อายุวนันะสุขาภละปฏิพาน ให้ค่าปาอาหารนีได้ปัญญานะเพราะอะไรเวลาที่ท่านได้นำไปกินไปฉันแล้วท่านก็จะได้บำรุงก็บารุงหล่อเลี้ยงร่างกายท่านท่านได้มีเรี่ยวแรงมีกําลังมีผิวพรรณผ่องใสมีอายุยืนแล้วก็มีปัญญาไปศึกษาพระธรรมเมื่อศึกษาพระธรรมเข้าใจท่านก็มาบอกเราเห็นไหม หรือแม้แต่ท่านศึกษาปฏิบัติจนพ้นจากวัตตะทุกไปบุญที่เราเคยให้เคยทำไว้ก็จะมีผลมากมีอใ น, นสง์มากอันนี้เรียกเรียกว่าให้แบบมีปัญญานะให้น้ำก็จะระ ง, งับความกระหายคือกิเลสนะของสัตว์ทั้งหลายนะให้ผ้าได้ผิวพันผ่องใส ได้เครื่องประดับก็คือฮิริความละอายแก่ใจและอตปะความเกรงกลัวตบาปนะให้ยานผ่านะให้สำเร็จฤทธิต์ต่างๆนะได้แก่อิทิฤทธิพระจักคุทิปะโสตะอิทิวิทยานนะเรียกว่าอิทิวิทยานหรือแม้แต่ได้นิพพานสุขอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เรียกว่ารู้ ให้ทานและรู้เชื่อกรรมและผลของกรรมให้ทานประกอบด้วยปรรยัญญารู้เหตุรู้ผลนั่นเองไล่ไปให้แสงสว่างแสงสว่างก็ได้จักขูได้ทิพจักขูถ้าพระโพธิสัตว์รมท่านก็ปาถนาตาเนื้อที่สามารถมองไกลได้ถึง16กกิโลโดยไม่มีอะไรขัดขวางได้เลยนะ ที่พระจักขู่ตาทิพย์สามารถมองเห็นได้ในที่ไกลๆนะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนพบไหนภูมิไหนนะปัญญาจากสุก็มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมต่างๆพุทธจักขุนีเรียกว่าสามารถที่จะมองเห็น สัพพสัตทั้งหลายว่ามีอัยารัยเป็นอย่างไรนะรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีปัญญาแก่กล้าหรือยังพร้อมที่จะตัดสู้หรือยังพระองค์ก็จะได้ไปโปรดนะนะสมมันจะจกักษุหรือสพัญญุตญานี่สามารถรู้นะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะรู้ว่าสรพพสัตทั้งหลายนี่ย นะมีจํานวนเท่าไรธรรมะเป็นอย่างไรจะใช้กับบุคคลประเภทไหนเนี่ยเพราะองค์จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเพื่อที่จะหรือสัตว์ขนสัตว์ออกไปจากวัตจัตุคให้ได้มากที่สุดนั่นเองเพื่อช่วยเหลือเพราะพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาประมาณนี้นะถ้าเกิดจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมให้ไปดูที่ทานกถานาะ ปศึกษาที่ข้อมูลที่เคยมีมที่ท่านผู้รู้ได้แต่งได้เขียนไว้หรือแม้แต่ไปดูในพระไตรปิฎกเล่มที่74เริ่เล่มแดงๆแบบนี้นะในจริยาปิฎกจะมีข้อมูลเกี่ยวกับบรารมีทั้ง10ทัศเลยมีรายละเอียดทั้งหมดวิธีทำวิธีปฏิบัติแบบไหนเริ่มต้นแบบไหน อยู่ในจรรยาปีดกนะเป็นข้อวัดปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ในสามโพธิสัตว์เนี่ยนะสาวกกับโพธิปเจกับโพธิแล้วก็สาัมมาสามโพธิจะมีวิธีปฏิบัติอยู่ในนั้นนะอันนี้ก็คร่าวๆาเกี่ยวกับอันนี้สัพปริสทานห้าก็ผ่านไปส่วนสัพปริสทานแปดนะ สาพุริสทาน8ปถ้าเราพัฒนาการให้ให้ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะ <c oughs> ให้แบบสาพุริสทาน8ดให้แบบผู้มีปัญญาสัตบุรุษหรือที่พระพุทธเจ้าแนะนำไว้สุจริตาเทติให้ของที่สะอาดบริสุทธิ์ของนั้นเป็นของที่ ได้มาอย่างดีเป็นของใหม่ของที่ดูดีสะอาดหมดจดนะประณีตางเทติให้ของที่ประณีตครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพ่องอย่างเช่นของเก่าหรือของชำรุดหรือของไม่ครบองค์ประกอบอย่างเช่นธรตมมาเคยก็ามาถวายหลอดไฟแบบนี้นะ อัตามาก็อยากจะไปติดแต่ว่ามันยังขาดขาขาไฟก็ไม่มีปลั๊กไฟก็ไม่มีบัลลัสตัตเตอร์ก็ไม่มีมีแต่หลอดไฟอัตามาก็ใช้นั่งดูเอาสักวันหนึ่งมันน่าจะสว่างขึ้นมาแค่น <c oughs> ั่งดูนั่นแหละจนปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าก็โชคดีบนเพดานมันก็ ขาดพอดีฝนปรากฏว่าสว่างจริงๆนะนั่งดูไปนั่งดูมาก็ไปติดก็สว่างนะแต่นี่เรียกว่าไม่ครบบริบูรณ์เวลาให้เนะี่ยเราไม่มีบริวารนะให้ข้าวบางทีก็ให้กลับบางทีก็ให้ข้าวบางทีก็ให้ขนมไม่มีบริวารแบบนี้นะเราก็เวลาที่เราได้ผลที่จะได้ก็คือได้มาแบบ บางทีได้อันนี้อ๋อยังขาดอันนั้นอีกเคยั้ยได้โทรศัพท์แต่ไม่มีสายชาร์จเนี่ยใช้ได้ไม่กี่วันยงต้องไปยืมเพื่อนหรือไปต้องไปขวนขวายหาใหม่ไงนนะคราวนี้เราก็คำนวณให้ดีเวลาจะให้เราจะได้บริบูรณ์เราเห็นผลของมันแล้วนี่ว่าจะได้มากเนี่ยเราควรจะดูแลให้ดีไหมวัตถุทานของเราเนี่ย ควรตกแต่งให้ดีให้ปรนีตเห็นอันตามายังน่าชมเชยเวลาที่มีผลไม้แล้วแกะมาอย่างดีทำปรนีตสวยงามเห็นแล้วไม่อยากกินสวยจัดแต่ของปรณีตเห็นไหมเมื่อของปรนีตเวลาผลที่ออกมาที่ได้รับก็ปรนีตเช่นกันนี่เราก็จะได้พิจารณาในการให้ ไม่ใช่ฮื่มจะรีบไปทำงานเอา่าร้อยหนึ่งเอาไปอยากไปทำอะไรก็ไปพระเลยเคยตัวเลยเล้สบายเลยคราวนี้ไปซื้อสปอร์ตบ้างซื้อเฮลิคอปเตอร์บ้างหรือแม้แต่ถวายของที่ไม่ไม่สมควรแก่พระอย่างเงี้ยถวายเครื่องบินเลยถวายเจ็ตเลยอย่างเงี้ย ก็ไม่สมควรแก่พระถาวายแค่รองเท้าก็พอแล้วยานผ่านนะหรือถ้าอยากจะนิมนต์ไปเทศเนี่ยควรจะไปรับนะโยมนะอย่าให้นั่งรถตู้มาเลย <laughs> ลำบาก <laughs> แบบนี้ก็คือพระมันไม่มีอะไรที่จะขวนขวายได้โยมถ้าเกิดมีนิมนต์มาเนี่ยเราก็ต้อง ถ้าเกิดขวนขวายหาเองก็ลำบากอย่างเี่นจะต้องโทรไปบอกคนนั้นค mm. นนี้ก็ไปบรบกวนเขาถ้าเกิดโยมอยากฟังพระควรไปรับไปรับแล้วก็ท่านจะได้มาบอกอย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเดินทางอันนี้คือจะได้ประนีตไงนี่นี่คือตกแต่งวัตถุทานให้ดีเราจะได้เวลาผลมันได้รับเราก็ไม่น้อยหน้าเขา เคยไหมเวลาไปรับแจกของเนี่ยหรือเวลาเราต่อต่อคิวเนี่ยเราเห็นคนอื่นมาเราจะลุ้นใช่ไหมเคยลุ้นไมโยมโอ้ยเขาได้ดีมาของดีมาพอถึงเราเอา้าทาไมเป็นของเสียเคยไหมโยมเป็นของเสียของไม่ดีของชำรุดของไม่ไม่ครบองค์ประกอบอย่างเงี้ยอันนี้คือลักษณะของการที่เราให้ไม่ของไม่ประณีตไม่ครบ ไม่มีบริวารเวลาผลมันได้ก็ได้ไม่ไม่ครบขาตกบกพร่องอย่างนี้นะหาให้กาเลนะเทติให้ถูกการถูกเวลาท่านประสงค์ถิ่งใดเช่นถ้าเกิดเป็นพระภิกษุสามเณรเนี่ยตอนเช้าก็เป็นพระตาหารอาหารอ่าตอนหลังเที่ยงไปก็เป็นน้ำปัณณนะ หรือไม่ก็เป็นผ้าเป็นยารักษาโรคพวกนี้เหมาะแก่พระนะวัตถุสิ่งของที่ราคาแพงๆนี่ไม่เหมาะแก่พระหรือแม้แต่ใหญ่ๆนะก็ไม่เหมาะแก่พระอย่างเช่นถวายที่มีค่ามากถวาย ที่ดินเลยโยมศรัทธาพระคุณเจ้าถวายที่ดินสิบไร่โอนเป็นชื่อของท่านเลยอย่างนี้พระพระที่เคยรักษาพระวินัยมีข้อปฏิบัติที่ดีงามพอได้สิบไร่เป็นไงโยมคำนวณแล้วจะทำอะไรถ้าเกิดสร้าง คอนโดสร้างบ้านพักตาอากาศก็คำนวณไปแล้วคนนี้คำนวณว่าเท่าไหร่เท่าไหร่แลวโอ้ยสิบไร่นี่มันอย่างน้อ ย, อยก็ประมาณยี่สิบสามสิบล้านขายซะเลยเพราะเป็นชื่อของพระอย่างนี้ก็ทำให้ทำลายพระนะก็ถ้าเกิดโยมจะถวายแบบนี้ก็มีวิธีว่าถวายเป็นของวัด หรือถาวายให้ท่านได้ใช้สอยโยมก็ดูแลนั่นแหละดูแลไม่ใช่พอให้ที่ดินพระไปก็พระก็ไปนั่งดูเหมือนดูหลอดไฟนั่นแหละโยมจะทำอะไรหนาที่ดินนี้ทำอะไรไม่ได้จะไปปากกมันอยู่ได้ทั้งปีไหมละโยมเวลาเข้าพรรษาอยู่ในกดไม่ได้ต้องอยู่ในที่ที่มีประตูมี ก่อนล็อกมิดชิดเพื่อป้องกันอันตรายในในขณะเขา้าพรรษาแตถ้าเกิดไปกลางกรดเนี่ยกลางได้เฉพาะในนอกพรรษาเท่านั้นนะกลางได้แค่แปดเดือนสี่เดือนจะต้องอยู่จำพรรษาสามเดือนอยู่จําบรรษาอีกเดือนหนึ่งเป็นเดือนที่สแสวงหาผ้าก็คือที่โยมถวายกรถินกรถิ่นกันนั่นแหละนี่นคือต้องรอรับกรถินในสี่เดือนนี้ไม่ให้สัญจรไปไหน แต่ถ้าออกพรรษาแล้วส่วนใหญ่พระก็จะเดินทางแล้วเพราะว่าอยู่สามเดือนอึดอาจมากนะถ้ายิงไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยลงรอยกันเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมือนนรกไม่มีผิดเลยนะในสถานที่จมพรรษาดังนั้นพอออกพรรษาก็จะต่างคนต่างแยกยาก้ยายหลังจากที่ขอเข้ามากันแล้วแล้วก็ตักเตือนกันและต่างคนต่างแยกยาก้ยายไปส่วนใหญ่ เนี่เป็นความเป็นอยู่ของพระถ้าเกิดโยไม่รู้วินัยและพระไม่ได้แนะนำก็ต่างคนต่างไม่รู้ต่างคนก็ต่างลำบากแล้วก็ทําไม่ถูกต้องนะเรื่องทานก็ไม่ถูกศีลจะพัฒนาสู่ศีลก็ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงสมาธิกับปัญญานะให้ถูกการถูกเวลานะอย่างเช่นเราสามีภรรยาจะเดินทางลูกๆจะไปโรงเรียน พวกนี้เราก็ตระเตรียมให้ถูกต้องอันนี้เรียกว่าถูกการถูกเวลากับปียังเทติให้ในของที่เหมาะสมนี่นะจะเข้าละกล่องที่เหมาะสมสมควรเพื่อเขาจะได้ไม่เกิดปัญหาแก่แก่ผู้ที่รัรบนะแล้วก็เราก็ไม่ มาเดือดร้อนใจที่หลังวิจัยเทติเลือกให้นะไม่ใช่ให้สุ่มสี่สุมห้านะต้องเลือกให้ด้วยว่าคนนี้จะได้ผลแบบนี้คนนั้นจะได้ผลแบบนั้นอันนี้ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เลือกเราก็ให้หรืออยากจะให้ก็ให้แบบนี้นะก็เลยไม่ได้ผลมากไม่ได้อันนี้ส่งมากนะอภินหังเทติให้เนืองเนืองให้เป็นประจำให้ทุกวัน อาตมาตอนเป็นคารวาเน่ก็ไม่ค่อยรู้ธรรมะเท่าไหร่รู้สึกว่าไปวัดปีละครั้งถือว่าโชคดีแล้วนะมีโอกาสได้ไปเนี่ยปีละครั้งไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องคำสอนเลยในตอนนั้นโมหะปิดบางอย่างรุนแรงนะ มีโอกาสได้ไปทำบุญแค่ปีละครั้งสามร้อยหกสิบห้าวันเหลือสามร้อยหกสิบสี่วันทำบาปเกี้ยงเลยอย่างนี้บุญจะเหลือไหมเนี่ยไม่ท้องพูดถึงไม่รู้เรื่องการให้ทานรักษาสินก็ไม่รู้โชคดีบุญยังดีนะเนี่ยมีโอกาสได้มาบวชกับเขาบ้าง มีโอกาสได้มาศึกษาพระธรรมบ้างนะบุญเก่านะบุญเก่าช่วยอุดหนุนแต่ไม่ใช่จะทำลายโมหะได้นะโยมนะถึงมาบวชแล้วก็ไม่เว้นนะไม่ใช่บอกว่าบวชโมหะไม่ต้องเล่นงานไม่ใช่นะบางทีบางอย่างพัฒนาตัวขึ้นอีกยิ่งมีศึกษามากไม่ใช่ว่ากิเลสจะน้อยลง แต่ถ้าเกิดปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติไปด้วยให้ทานก็มีการปฏิบัติอย่างเต็มที่รักษาศีลก็มีปฏิบัติอย่างเต็มที่อย่างนี้ก็ช่วยกำจัดกิเลสให้เบาบางล ง, ใ ห, บาบา ง, ลงให้เบาบางลงเวลาที่มาปฏิบัติสมาธิก็จะขึ้นง่ายนะแล้วก็ได้สมาธิได้เร็วทั้งมั่นเพราะผลของการให้ทานก็ทำให้ปสัสสธิ ความสุขสมาธิตั้งมั่นผลของศีลก็เช่นเดียวกันทำให้สมาธิตั้งมั่นเช่นกันดังนั้นนี่เป็นการพัฒนาจิตทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นที่เรามีวัตถุสิ่งของมีเจตนาที่จะให้ทั้งหมดเป็นการพัฒนาสู่การทำจิตให้ไปสู่สมาธิและปัญญาได้อย่างที่เจคือทักษทางจางาิตตังภาษาเทติให้มีใจผ่องใส แล้วก็ทัตวาตามโนโหติให้แล้วเบิกบานใจเวลาให้ไม่ควรเสียดายนะไม่ใช่ว่าพอให้ไปแล้วเขาไปทําไม่ดีแล้วเราก็มาทุกข์ใจหรือแม้แต่ให้แล้วก็พยายามไปทวงคืนแบบนี้นะไม่ใช่ยืมนะโยมที่พระรับไปไม่ใช่ยืมโยมให้ด้วยศรัทธาแต่เวลา เวลาโยมทะเลาะ ก, กับพระโยมเขามายึดคืนให้ที่ดินไปอามายึดคืนให้กุฏิไปมายึดคืนก็มีอย่างงี้นะโยมเคยไหมเนี่ยหวังว่าคงไม่เคยนะ <c oughs> แล้วพระจะไปอยู่ไหนโชคดีพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ได้อยู่นะให้พระได้อยู่อาศัยได้ทั้งประเทศนะทั้งต่างประเทศด้วยโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า ดีตรงนี้ละโยมไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องไปทําำไม่ต้องไปทํามาหากินแต่ให้รักษาศีลให้ดีให้ประพฤติปฏิบัติสมาธิให้ดีให้เจริญวิปัสสนาให้ดีเสมอเจริญสมถวิปัสสนาให้ดีเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเลี้ยงเองพระพุทธเจ้า พระองค์ก็มีพระมหากรุณาพวกที่บวชก็เลยต้องทํากิจสามอย่างคือทําศีลสมาธิปัญญานี่แหละและโยมผู้ที่ประสงค์จะบำรงพระพุทธศาสนาก็มีการให้ทานให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาโยมก็ไม่ทอดทิ้งทุลาของพระาศาสนาด้วยแล้วก็ไม่ทอดทิ้งประโยชน์ของตัวเองด้วยทั้งประโยชน์ในโรคนี้เราก็มีความสุข นะมีสมาธิที่ตั้งมั่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสังครอบครัวไม่แตกแยกสังคมก็อยู่รอดปลอดภัยประโยชน์ในอนาคตเราก็ทำไว้แล้วที่พึ่งในอนาคตคือพบภูมิที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีทรัพ์สมบัตนะิแล้วก็ได้นำวัตถุสิ่งของนั้นไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อออกากวตตะทุก ได้ต่ออีกนี่คือการวางแผนวางแผนในปัจจุบันนี้เหตุสร้างเหตุไว้ให้ดีเรื่องของทานไม่ควรทอดทิ้งเพราะโยมจะต้องไปเกิดอีกหลายภพหลายชาติเห็นไหมพระองค์เลยบอกว่าทานปาลามีสัมปันโนเนี่ยเพื่อให้เราได้บำเพ็ญทานให้บริบูรณ์เป็นอันดับแรก เพื่อที่จะได้ไม่เดือดร้อนในสังสารวัตเวลาไปเกิดเนี่ยเกิดมาก็ทุกยากลำบากจะทำบุญก็ไม่มีเวลาก็ไม่มีคนที่ไม่มีทรัพย์จะไม่มีเวลาด้วยนะเพราะจะต้องใช้เวลาทั้งหมดไปแสแวงหาทรัพย์จึงไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อเราวางแผนดีแล้วพอมีทรัพย์แล้วก็มีเวลาปฏิบัติธรรม อย่าลืมสร้างปัญญาไว้ด้วยในการบริหารทรัพน์นั้นในการบริหารเวลาและมาพัฒนาเพื่อเข้าสู่ศีส ม, มาธิปัญญาได้อย่างถูกต้องนี่แหละนี่คือลักษณะ8ดอย่างของสับุริสฐานเรียกว่าการพัฒนาการปรับปรุงการให้ให้สูงขึ้นไปยิ่งขึ้นไป ตอนนี้มในะีในทานุปฏิสูตรนะในทานุปฏิสูตรในอยู่ใ น, อ, ในอังคุตตรนิกายสติกานิบาตในนี้จะกล่าวไว้ว่าการให้ทานที่มีวิธีคิดเกี่ยวกับการให้ทานเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญไว้นะ ว่าการให้ทานนี้บางคนก็ให้แบบหวังผลเราเคยไหมให้แบบขอให้ร่ำรวยขอให้ครอบครัวมีความสุขขอใหอ้มีลูกอขอให้ โรคภัยไข้เจ็บจะได้มีขอให้แพทพ่อแม่หายป่วยนี่ให้แบบหวังผลพระพุทธเจ้าก็ตรัดว่าดูกนภิกษุทั้งหลายนะเหตุเกิดแห่งทานมีแปดประการภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ให้ทานคือ ข้าวน้ำผ้ายานภาชนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่พักและเครื่องอประทิบโคมไฟแกะสมณะหรือพรามให้ในสิ่งใดแล้วก็หวังผลนั้นนะเขาเห็นกษัตริย์พรามข้าบาดีผู้มีทรัพย์มากพรั่งพร้อมด้วยการมคุณห้าเวลาทำทานจึงตั้งกิจปราถนาหรืออธิษฐานจิตว่า นึกภาวนาอยู่ว่าจิตของเขาเนี่ยจะได้อยากได้ซยบนะเมื่อตายไปเขาย่อมถึงความเป็นสหายของกรรษัตริย์พราหมณ์หรือหาบดีแต่ข้อนั้นควรกล่าวว่าต้องเป็นผู้มีศีล น, นะให้ทานต้องมีศีลประกอบด้วย จึงจะให้ผลในสุขติภูมินี่นะไม่งั้นให้ทานอย่างเช่นพระภิกษุในศาสนานี้นะที่มีการสมมตรนะิรับเงินมาแล้วก็ไปนำไปบริจาคไปสร้างวัตถุอุปกรณ์ต่างๆ ไปแจกทุนอะไรพวกนี้นะดูเหมือนดีเป็นบุญเป็นกุศลที่เราเห็นแต่ว่าสิ่งที่รับมาเป็นของที่ไม่ควรแล้วแล้วก็ไปทำแบบนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าผู้ที่มีศีลไม่บริสุทธินั้นมีคติสองก็คือสัตว์นรกและสัตว์เดรัจฉานดังนั้นผู้ทรงศีล แต่ทุตสีเนี่ยถึงจะทําบุญมากมายแค่ไหนก็ได้คติสองอย่างก็คือสัตว์นรกและสัตว์เดฉานบางคนที่เราเคยได้ยินประวัติเรื่องของพญานาคส่วนใหญ่ก็มาจากพระภิกษุเ พ, พ, พระพระภิกษุเนี่ยจะทําบุญมากพอทําบุญมากแต่ศีลไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไปเป็นสัตว์เดฉานจะเป็นหัวหน้าเขาเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมาก ถ้าเราเป็นแบบนั้นทำบุญมาทั้งชีวิตเลยแต่ได้เป็นพญานาคคุ้มไม่นายโยมเป็นสัตว์เดรัจฉานต้องหากินพืชหากินสัตว์แล้ววันดีคืนดีพยาคุดก็มาลากไปกินมีทรัพย์สมบัติก็ทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้เกื้อกลูลประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนี่คืออา ถ้าทำบุญแล้วหวังผลก็ต้องมีศีลกำกับด้วยอย่าลืมนะถึงจะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สุขติภูมินะข้อต่อไปนะทำแบบนั้นนะแล้วคิดว่าการให้เป็นการดีให้เป็นการดีนะก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุม การให้ตามประเพณีนะให้ตามประเพณีเนี่ยก็ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงนะนะให้ตามประเพณีอตอนแรกให้หวังผลเนี่ยเมื่อไปไปเป็นสุขติก็คือโลกมนุษย์แล้วยังไปจาตูมด้วยนะส่วนให้ว่าให้เป็นการดีเนี่ยนะ ก็จะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ต้องมีศีลอย่าลืมมีศีลนะให้ตามประเพณีไปสวรรค์ชั้นยา ม, มาให้เพราะคิดว่าสมณะพราหมณ์เนี่ยหงหากินไม่ได้เราหุงหากินได้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องบำรุงท่าน อ, อันนี้ไปสวรรค์ชั้นดุสิตให้แบบ บูชาเหมือนที่ฤาษีหรือนักบวชนอกศาสนาเนี่ยเขาทำกันเขาก็จะมีการให้ทานการบูชายันถ้าเราให้แบบนี้ก็จะไปสวรรค์ชั้นนิมมานารดีชั้นที่หแต่ต้องมีศีลกำกับอย่าลืมแล้วมีฮิริกับโอตปะความไม่ละอายแก่ใจความไม่เกรงกลัวต่อบากนะให้เพราะคิดว่าจิตของ เราเนี่ยจะได้มีความสุขมีปีติโสมนัสเบิกบานใจถ้าให้เราคิดแบบนี้ก็จะไปสวรรค์ชั้นปรินิมิตตวสวดีแต่ต้องประกอบด้วยศีลทั้งนั้นนะนี่เป็นลักษณะของการให้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าให้จะต้องพัฒนาการให้ในการที่จะต้องมีศีลประกอบด้วยส่วนการให้ที่พระพุทธเจ้าสารเสญ น, นะ ที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญก็คือการให้แบบให้แบบจิตตะลังกาละจิตตะปริขาละให้แบบประดับปรุงแต่งจิตมีการคิดใคร่ควรให้มากรู้เหตุรู้ผลมีบุพเพเจตนามีการใคร่ควรมาอย่างดีมุนจาเจตนา มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอปิรเจตนามีการคิดไข้ควรตลอดมีการนั่งไข้ควรมีนั่งสมาธิคิดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นให้โดยสัพปริสตาน่ให้ด้วยศรัทธาเคารพถูกการอนุเคราะห์สละขาและให้ไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วพัฒนาการประับปรุงแจงจิตเนี่ยให้แล้วมีบริวาร ให้แล้วให้ทั้งบัญญัติให้ทั้งปรม้ทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเมื่อให้แบบนี้ก็พัฒนาเรียกว่าปรูงแต่งจิตไปสู่ทานนะเออไปสู่ศีลทานที่ตั้งมั่นก็พัฒนาไปสู่ศีลที่ตั้งมั่นศีล э ที่ตั้งมั่นก็ไปพัฒนาไปสู่สมาธิที่ตั้งมั่นสมาธิที่ตั้งมั่นก็พัฒนาไปสู่ปัญญาเพื่อพ้นจากวัตักทุกข์นั่นเอง นี่เรากำลังจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะต่อไปทานในชีวิตประจำวันเราก็พอมองภาพออกแล้วใช่หมว่าในชีวิตประจำวันของเราทั้งหมดเนี่ยเราไม่หนีเรื่องของทานเลยวันวันหนึ่งเราไม่พ้นจากเรื่องของทานเลยตั้งแต่ตื่นนอนเย็นเข้านอน ตื่นเช้าขึ้นมาแค่บีบยาสีฟันเราก็นึกได้แล้วว่าเนี่ยเราเคยนำเข้ามานะนำมาให้สามีให้ภรรยานำมาให้ลูกๆให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องนะหรือแม้แต่ทำกับข้าวการให้ทั้งหมดเป็นเรื่องของทานนะเกี่ยวข้องกับทิศ ท, ทั้งหกนี่แหละ เป็นเรื่องของทานถ้ามีวัตถุในการให้มีผู้รับและมีเจตนามีใจที่จะให้ทั้งหมดอีกเป็นเรื่องของทานทั้งนั้นยมจะได้คิดไครครวนเรื่องของทานให้เป็นระบบและให้มาอยู่ในอัธยาศัยมาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้ได้เพื่อเวลาที่เราดูลมเราจะได้ดูได้อย่างติดต่อต่อเนื่อง หรือทำให้สมาธินั้นตั้งมั่นอันนี้คือคร่าวๆนะโยมก็จะรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทานซึ่งไปสู่ศีลคราวนี้ลักษณะการพัฒนาทานไปสู่ศีลเนี่ยทานที่ทานที่พูะเจ้าแนะนำไว้เนี่ยมี แบ่งออกเป็นสามอย่างก่อนนะนี่คืออมิสทานคือวัตถุทานอภัยทานคำว่าอภัยทานนี่แหละคือพัฒนาจากการให้วัตถุพัฒนามาให้อวัยวะที่เป็นอุปบารมีเนี่ยแล้วก็พัฒนาไปสู่การให้ชีวิตเรียกว่าประมัตถบารมีนี่เป็นการพัฒนาการให้ขึ้นไปเรื่อยๆ คราวนี้ก็พัฒนาตัวจากการให้วัตถุสิ่งของให้ทรัพสมบัติให้ภายนอกแล้วก็จะมาให้เรื่องนามาทำเรื่องวัตถุภายในบ้างเรียกว่าการให้อภยัยนะยมเคยได้ยินนะการให้อภยัยการให้อภัยนี้เกี่ยวกับเรื่องศีลทั้งนั้นเลย เช่นเราให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตเห็นให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของผู้อื่นหรือสัตว์อื่นเนี่ยชื่อว่าเราได้สำรวมสินข้อหนึ่งให้ความปลอดภัยแก่ทรัพสมบัติของผู้อื่นเขาขอให้สมทรัพ ส, สมบัติของเขาขอให้ชีวิตของเขา จงเป็นของของเขาเถิดอย่าได้ต้องวิบัติพัดภาคอย่าได้ต้องเจ็บปวดทุกทรมานเพราะเราเป็นเหตุเป็นปัจจัยเลยเราจะไม่เบียดเบียนเขาเราจะให้อภัยเขาให้ความปลอดภัยแก่ลูกภรรยาสามีของเขาอย่าอย่าได้ต้องพัดพลากอย่าได้ต้อง มาทะเลาะวิวาทเพราะเราเป็นเหตุเลยขอให้ลูกภรรยาสามีของเขาจงเป็นของของเขานี่เราให้ความปลอดภัยเราจะให้แต่คำสัตว์คำจริงไม่พูดคำโกหกเราจะให้คำที่สมัครสมานสามคัคคีไม่ให้คำสอเสียดเราจะให้คำที่เป็นวาจาอ่อนหวานไม่ให้คำ มาหยาบคายเราจะให้คำที่มีประโยชน์ให้ธรรมะให้เป็นไปเพื่อกําจัดกิเลสเพื่อออกจา ก, กวัตตะทุกข์เราจะไม่ให้คำเพอเจ้อคำร้อนแหละแบบนี้เรียกว่าเราพัฒนาการให้ของเราไปสู่ศีล น, นี่นี่เป็นลักษณะของใจที่ถูกพัฒนาขึ้นมาพัฒนา แต่วาริตศีนี้จะไม่บริบูรณ์ได้ถ้าจาริตศีดไม่บริบูรณ์ดังนั้นในขณะที่เราเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันในลักษณะของพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์สิทธิ์ญาติหรือแม้แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ดได้โอกาส หรือแม้แต่พระภิกษุษสามเณรเรามีการเกี่ยวข้องกันแบบนี้ถ้าวัตถุที่ให้นั้นเป็นเรื่องของทานถ้ามีการดูแลอนุเคราะห์เกื้อกูลกันก็เป็นเรื่องของศีลเรียกว่าจาริตศีลนี่เป็นการพัฒนาตัวจากการให้ทานถ้าเรามองเห็นภาพคร่าวๆแบบนี้แล้วเราจะได้ตั้งหลักถูก ในการพัฒนาจิตของเราในแต่ละวันนี่ถ้าเชื่อมต่อไปเรื่องของภาวนาก็ยังได้ทั้งๆที่ปัจจัยอันเดียวกันนั่นแหละเรื่องเรื่องเดียวกันนั่นแหละในขณะที่เราให้นั้นเป็นวัตถุทานใช่ไหมเป็นเรื่องของทานมีเจตนาทานในขณะนั้นที่คิดว่าจะอนุเคราะห์จะบูชา เน่เป็นเรื่องของทานในขณะที่เราคิดว่าเราจะดูแลก็เป็นเรื่องของจาริตศีลดูแลอนุเคราะห์เกื้อกูลกันในขณะที่เราให้ประกอบด้วยความเมตตาทางกายกรรมเห็นไหมแม้แต่มีการนวดแฟ้นกันแบบนี้นะถ้าคิดถึงเรื่องการให้นะก็ให้สัมผัสที่ดีให้อายุ ให้กําลังการดูแลการไปเรื่องของศีลถ้ามีใจประกอบด้วยเมตตาลักษณะนั้นเป็นการให้แบบเป็นภาวนาแล้วถ้ามีคำพูดออกไปด้วยปานานาว่าเป็นไงบ้างมีความสุขไหม จิตใจดีขึ้นไหมสงบขึ้นไหมเป็นไปเพื่อศีลสมาธิปัญญาไหมหรือแม้แต่ถ้าเกิดแข็งแรงแล้วก็จะได้ปฏิบัติให้ได้สมาธินะจึงจะได้บุญด้วยเรื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เราภาวนาไปเนี่ยนี่เป็นเรื่องของภาวนานเรื่องเดียวกันให้วัตถุสิ่งเดียวกัน แล้วเราก็พัฒนาความคิดนั้นให้ต่อเนื่องเรียกว่าประดับปรุงแต่งจิตพัฒนาจากการให้นั้นเป็นทานพัฒนาจากทานนั้นไปสู่ศีลจะพัฒนาสูศีลแล้วก็ไปภาวนาในเรื่องเดียวกันในวัตถุเดียวกันในเหตุการณ์เดียวกันเป็นได้ทั้งสามอย่างแม้แต่การใส่บาได้ห็นไหม ยัคิดว่าเป็นการให้ทานอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยถูกไหมที่จริงเป็นทั้งศีลด้วยเป็นทั้งภาวนาได้ด้วยไหมเอาให้ด้วยความการุณาเป็นภาวนาไหมกรุณาก็เป็นภาวนานะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่สมาธิตั้งมั่นเท่านั้นเอง <c oughs> เป็นเรื่องของศีลก็ดูแลทิศทิศเบื้องบนงไงเห็นไหมเป็นเรื่องของศีล ทิดเบื้องหน้าดูแลพ่อแม่ถ้าเรารู้บริบททั้งหมดเกี่ยวกับทานศีลภาวนาเราก็จะทำให้เจริญกุศลได้ง่ายเกิดขึ้นได้อย่างแบบง่ายง่ายไม่ต้องไปนั่งเครียดเหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่ไหมโยงจับอะไรก็เครียดไปอยู่ใกล้ไกลก็เครียดอยู่กับพ่อแม่ก็เครียดอยู่กับลูกอยู่สามีก็เครียดหมด เหมือ น, นยกตัวอย่างพระโพธิสัตว์เคยเกิดเป็นฤาษีในมีชาตินึงนก็เครียดนะบวชมาหกสิบปีเครียดโยมอุปถากก็เครียดเพราะไม่ได้ศรัทธาฤาษีไม่ได้ศรัทธาพระเลย ทำบุญไปแบบนั้นแหละภรรยาอยู่กับสามีก็เครียดเพราะไม่ได้รักสามีถูกคุมถุงชนถูกจับแต่งอยู่กันแบบเครียดๆนะวันหนึ่งลูกชายถูกงู ก, กัดถูกงู ก, กัดเสร็จแล้วก็ก็เลยไปนิมนต์ฤอษีนิมนต์พระมา บอกช่วยช่วยหน่อยเธอพระคุณเจ้าช่วยหน่อยเธอลูกของฉันถูกงูพิษกัดเนี่ยฤศีก็เลยบอกว่าโอ๊ยฉันไม่รู้จะช่วยยังไงคุณธรรมอะไรก็ไม่มีอภิน ญ, ญาก็ไม่ได้บวชมาหกสิบปีก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจะตั้งสัจจะสั้งสัจจะวาจาก็แล้วกันโนะยมไป ไปห่างๆหน่อยได้ไหมอาตมารู้สึกอายนะก็เลยบอกว่าตั้งแต่บวชมาหกสิบปีศรัทธาการบวชแค่เจ็ดวันนอกนั้นอู้ยคิดแล้วคิดอีกอยากจะสึกแต่สึกไม่ได้เพราะเป็นประเพณีนะในสมัยก่อนอก็ต้องให้บวชแล้วการที่สึกเป็นเรื่องของความ ความเสียหายอย่างมากนะก็เลยอยู่มาถึงหกสิบปีอยู่แต่ศรัทธาแค่เจ็ดวันด้วยสัจาวาจานีนะ้ขอให้เด็กคนนี้จงหายเถิดเด็กก็เลยมือกระดิกกระดิกขึ้นมานะมือกระดิกขึ้นมาเสร็จแล้วทำไงก็เลยให้ผู้ชายนะสามีก็เลย ตั้งสัจจะบ้างนะแล้ว ก, ก็เลยบอกให้ภรรยากับฤๅษีไปบอกช่วยช่วยไปหน่อยได้ไหมอายเหมือนกันนะบอกว่าผู้ชายก็เลยตั้งสัจจะวาจาว่าด้วยสัจจะวาจานี้ข้าพเจ้าเนี่ยดูแลฤๅษีเนี่ยมาหกสิบปีไม่เคยศรัทธาเลยด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้เด็กคนนี้จงฟื้นขึ้นมานะขอให้ลูกจงฟื้น อานั่งได้คราวนี้คราวนี้ภรรยานะไปถึงภรรยาภรรยาก็เลยบอกว่าด้วยสัจจะวาจานี้นะตั้งแต่อยู่กินกับผู้ชายคนนี้มาเนี่ยไม่เคยรักเลยบอกว่างูตัวเนี้ยที่มากัดลูกนี่เกลียดมาก แต่เกลียสามียิ่งกว่างูตัวนี้อีก <c oughs> ด้วยสัจาวาจานี้นะขอให้เด็กจงฟื้นเอา้าฟื้นขึ้นมาทันทีเลยนะเด็กคนนี้ โ, โหนี่แบบอยู่ด้วยกันแบบเค ร, ครียดๆเลยนะเนี่ยหกสิบปีไม่เคยศรัทธาเนี่ยนะโยมเครียดไหมเวลาทำงานเวลาอยู่กับครอบครัว เวลามาปฏิบัติธรรมเครียดไหมหรือเวลากลับไปเนี่ยเราต้องไปเจอสังคมเดิมๆ เ, เนี่ยเราต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้ก็คือรู้บริบทเกี่ยวกับที่จะทำบุญให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้ปรับทุกทางเรียกว่ามองโลกในแง่ดีนะในในภาษา ทางโลกเนี่ยเขาบอกว่ามองโลกในแง่ดีก็คือมองอยังไงให้มันเป็นบุญให้หมดอ่ะทุกอย่างไม่ใช่ไปดูละครออกมองโลกในแง่ดีนะโยนนะหรือไม่บอกไปฆ่าสัตว์ไปในตลาดบว่าเอาปลาดุกตัวนี้หน่อยเอาหอยแครงสดๆมามาบอมองโลกในแง่ดีอย่างนี้มันจะดีได้ไหมโย มองโลกในแง่ดีต้องทําสิ่งที่ดีด้วยนะก็ไม่มีไม่ออกจากสามเรื่องนี้นะคือทานศีลภาวนาในชีวิตมีอยู่สามเรื่องแค่นี้ถ้ารวมๆแล้วนะมีอยู่สามเรื่องเท่านั้นนั้นไม่ว่าเราจะดูแลคนนั้นคนนี้จะมีการให้มีการ เ, าเข้าสังคม เวลาที่เราอยู่ด้วยกันจะต้องใช้ธรรมะอย่างไรมันก็ไม่ออกจากสามเรื่องนี้นะนันก็ให้ญาติโยมได้อมองมองเรื่องของบุญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นธรรมังสรนังกระฉามิเป็นสิ่งที่จะนำออกกจากวตาทุกข์ให้ได้ เอาล่ะวันนี้นสมควรเก็บเวลานะห้าโมงแล้วแต่ตอนบ่ายเราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของศีล น, นะแล้วจะพาใไข้ควรในตอนเย็นเกี่ยวกับเรื่องของภาวนาเรื่องของพรหมวิหารสนะเราก็าขอให้ญาติโยมได้มีความสุขปรารถนาสิ่งใดให้สมความปรารจนาให้มีอายุวรรณะสุขภาพละ ปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติทุกธิภาลาธีการด้วยก่อนทุกท่านเจริญพร